จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วนะบัดนี้หายหน้าหายตาไปหลายวันวันนีน้เสนอหน้ามาแล้ววันนี้วันพระหัสบดีที่8สิงหาคม2556 ขึ้นสองค่ำเดือนเก้าปีมะเสงเราก็จะได้เลงธรรมะขอยืนยันว่าธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้เป็นธรรมาธรรมะสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมก็ต้องธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองก็ธรรมะเพราะฉะนั้นสงครามสังคมธรรมะการเมืองการเมืองจะไม่คอไปยธรรมะจะเป็นยาดำอยู่ด้วยทั้งหมดอาหาว ที่แล้วที่อาตมาออกอากาศไปสดนั้นวันที่สี่ในวันอาทิตย์ที่สี่ตอนนั้นสดสดไปวันนี้วันที่แปดน่าวกไปสไลวันวันที่สี่นั่นติดค้างคุณนักกฎหมายใช้นามแฝงมาว่านักกฎหมายที่ถามมาถึงเรื่องบุญญาวุฒิหมายเล็กหึง คืออาหารมังสวิรัตบุญญาวุฒิหมายเลขสองคือตลาดอริยะหรือพาณิชย์บุญนิยมบุญญาวุฒิหมายเลข 3, สามกิจกรรมไราสารพิษบุญยาวุฒิหมายเลขสี่สุขภาพบุญนิยมหมายเลข5การศึกษาบุญนิยมหมายเลขหกสื่อสารบุญนิยมหมายเลขเจการเมืองบุญนิยมและคุณนัก กฎหมายก็บอกว่ากระผมเห็นด้วยกับข้อหนึ่งถึงข้อหกข้อหนึ่งถึงข้อ6กเรื่องบางสวรรค์ก็ดีตลาดอ ร, ริยะกยิจกรรมไร้สารพิษสุขภาพบุญนิยมการศึกษาบุญนิยมสื่อสารบูญนิยมเห็นด้วยทั้งนั้ น, นพอมาถึงข้อเจแต่ข้อเจกระผมเห็นว่าไม่จะหนทางสู่พระนิพพานว่างั้นเลย ต้องฝึกจิตข้ามให้พ้นให้ได้เถิดว่างั้นเลยนะแล้วจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงไม่ดีกว่าหรือครับว่างั้ น, นาอาตมา ก, ก็ได้ตอบไปแล้วในวันที่สี่ขยายความบรรยายให้ฟังแล้วว่ า, นาในเรื่องของการข้ามพ้นข้ามอย่างไรก็ได้อธิบายไปแล้วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างไรก็ได้ทํา ขรรชทอธิบายไปบ้างแล้วอาตมาก็เชื่อว่าก็ยังไม่ละเอียดพอหรอกถึงจะพูดไปแล้วก็ยังคงจะต้องพูดกันอีกต่อไปอย่างสําคัญนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดเป็นเรื่องที่ยากมากตรงที่มันโอ้โหต่างมากเลยเดีย๋ยวอาตมาจะได้สาธยายนะก็คงจะได้พูดถึงเรื่องการเมืองอย่างสําคัญสักก่อนนะ ก็เช่นเคย น, นอกจากว่าอาตมาจะพูดคนเดียวในตอนต้นช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นจากผู้ชมทางบ้านสำหรับรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองผู้ชมทางบ้านก็ส่งประเด็นมาได้ทางโทรศัพท์เช่นเคยก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไปให้ทราบตามธรรมเนียมบอกประจำไม่มีเบื่อ เพราะว่ามันเป็นสูตรของรายการมันต้องออกองั้นเราต้องคิดถึงคนที่ฟังใหม่ฟังเก่าก็แล้วไปเธอไม่มีปัญหาอะไรแต่คนฟังใหม่เราต้องคิดถึงเขาเราจะ ท, ทําทีเป็นออถือว่าแฟนประจําคนใหม่ตามติดตามเอาเองมันอาตมาไม่ทิ้งภาราเขาหรอกอาตมารัรบภาระไว้วันนี้เป็นเรื่องของเราต้องภาระของเราก็ต้องแจ้งไปอาเดี๋ยวจะยาว เบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามานั้นคือ0885859117กับ0885859118นะก็อีกทีนึงนะฟังอีกทีนึง่งผู้ใดยังจำไม่ได้จะจดก็เตรียมดินสอปากกามา เบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขนั้นคือ0885859117กับ0885859118สองหมายเลข น, นี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้อยู่ทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องเรื่องที่ คุณนักกฎหมายว่ามามาบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งถึงหกอาตมาก็อยากจะขอพูดถึงบ้างก่อนที่จะพูดถึงหมายเลขเจ็ดอีกทีหนึง่งเพราะวันนี้จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันกำลังเรื่องการเมืองนี่นมันกำลังเข้าใครการเมืองตอนนี้กำลังเข้าใครเข้าใครแปลว่าภาษาไทยว่าอะไรก็เป็นคนฮาเอง คนไั้นไม่เข้าใจนการเมืองกำลังแหมตอนนี้กำลังตื่นตัวกำลังตื่นตูมกำลังตื่นเต้ น, นยิ่งผ่านเมื่อผ่านเมือ่อสองสวันที่แล้วมายิ่งเต้นคนนี้อีกใจเลยตอนนี้มันชักจะเต้นลดลงนิดนึงแล้วเพราะว่านึกว่ามันจะโอโ้โห ไปดูหนังบูที่หนักกว่านี้อะไรมันไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมถึงขั้ น, นมันก็ผ่านไปก็มาถึงขณะนี้แล้วก็ทุกคนก็สังเกตเอาเองดูจากบรรยากาศเองเอาละ ก, กันเพราะงั้นตอนนี้ต้องขอบอกกล่าวทั่วไปด้วยใครๆก็คงจะได้ข่าวแล้วทางด้านสื่อสารต่างๆเขากลายงานก็ไม่มากหรอกอย่างนอกก้อยก็ทีนิว เขาก็รายงานไปอที่อื่นจะมีใครรายงานบ้างหรือไม่ไม่รู้เขารายงานว่าตอนนี้ <c oughs> กองทัพทําได้เคลื่อนขบวนก็ไปช่วยนะช่วยอะไรละ่ะเขาเรียกย่อว่าอะไรก อ, อปอทนไปช่วยกอปอทอคืออะไรเขาเรียก อ, อะไรกองทัพประชาชน ข้นระบบระบอบทักษิณนะกองทัพประชาชนนะกอปอกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณทนะอกอปทว่างั้นนะทีนี้เมื่อมีข่าวเราไม่ได้ปิดข่าวนะเราก็ทําไปตามประษาแล้วก็ทําตามจริงนั่นะไม่ได้ประกาศ แอย่างงนอย่างนี้ให้มันคลึ่นเคลนคลื่นโครมอะไรเราไม่ได้ทำทำอย่างนั้นแล้วก็ทำไปตามระษาความความเห็นควรกปทเนี่ยกองทัพประชาชนขณะนี้เนี่ยที่รวมกลุ่มกันกองทัพประชาชนคืออะไรแต่มาไม่สาธยาเราเกิดยังไงมียังไงเป็นยังไงแล้วก็เอาแต่คร่าวๆก็ตอนนี้พูดชัดๆง่ายๆก็แล้วกันรวมตัวกันอยู่ที่สวนรุมเนี่ย กระป้อขับแป้ลงไปแล้วรู้สึกกระป้อขับแป้ลงไปแล้วเราก็เห็นแล้วก็สงสารซึ่งเจตนารมณ์ของชาวกองกองทัพประชาชนเนี่ยเขาทำอะไรเราก็รู้ก็เห็ น, นเขาจะออกไปไ ป, ไปแก้ทไมไปแก้ขัดแก้เรื่องแก้อะไรตามเรื่องของการเมืองอะ่ะ ซึ่งเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแท้ๆอัตมาเองอัตมาบอกด้วยก่อนเลยว่ากองทัพธรรมเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนๆเราไม่ได้ลําเอียงกับข้างไหนเลยไม่ได้อยู่ข้างไหนเลยด้วยเราดูอยู่ที่เห็นควรหรือไม่เห็นควรแล้วเราก็เข้าไปสมทบเข้าไปช่วยและเราไปช่วยก็ไม่ได้ไปช่วยเพื่อที่จะไป เอาชนะค้าคาดไปร่วมมือตีรบตีรบตีรันพันแทงตบตีอะไรเราไปให้ความรู้กลับไปช่วยเหลือให้ความรู้อะไรให้ความรู้ที่มันเป็นสัจธรรมการเมืองมีสัจธรรมเดี๋ยวจัตตมาจะได้พูดในช่วงหลังสาธยายเรื่องสัจธรรมเรืองคำว่าการเมืองนี่แหละให้ความรู้เรื่องการเมืองแม่เราออกไปร่วมชุมนุมร่วมมาต้องหลายทีแล้ว เราก็ไปทาทยายแสดงธรมปกติของเราเองแต่คนเข้าใจไม่ได้ก็หาว่าเราดีไปแต่มันมีคนเข้าใจยากอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่าเราแสดงแล้วเราเข้าเอียงไปข้างไห น, นอันนี้แหละคนเข้าใจว่าเราไม่เป็นกลางก็ขอหมอกอีพูดแล้วซ้ำรากปากจะฉีกปากจะยืดไปหมดละ ความเป็นกลางต้องเข้าข้างสิ่งถูกต้องควาเป็นกลางต้องเข้าข้างสิ่งถูกต้องต้องกำราบสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องอย่าไปเข้าข้างอย่าไปคลุกคลีอย่าไปส่งเสริมอย่าไปร่วมอย่าไปร่วมถึงอาตมาสาธยายมาแล้วพระพุทธเจ้าอย่าไปคบคนชั่วต้องคบคนดีอย่าไปคบคนผิดต้องคบคนถูกอยู่กับดีจะไปอยู่กับผ่านชน นี่ก็เป็นพฤติกรรมทั้งหมดรวมต้องข่มคนชั่วยกคนดีหรือข่มคนไม่ถูกต้องยกคนที่ถูกต้องนี่กนันเอนะครับอรหงปักนงปคกข้าอหรั ง, ระะรงต้องใช้ปัญญาเหมือนที่มีปราราทธะปัญญาปราราัทธ์คือปราศาสรปาสัทธะปัญญาประศาะ ส, าสาที่อยู่ข้างบน มองลงมาข้างล่างเห็นเหมือนเบสทายวิวเห็นมองเหมือนนกมองมลงมาเห็นข้างล่างทั่วอยู่เหมือนแบบมองมองบนปราสาทเนี่ยพอา ม, ามองลงมาจะอยู่สูงเป็นท็อปท็อปวิวเนี่ยเบสเบสทายวิวเหมือนนกบินข้างบนมองลงมาลจำเหมือนอยู่บนข้างบนเครื่องบินมองลงมาหาพื้นให้เห็นอะไรทั่วรอบให้ได้เมื่อเห็นแล้ว ก็ต้องก็ข้างคนดีช่วยคนดนะีอะไรถูกก็ได้ผิดต้องเห็นให้รอบให้ทวนนี่คือคำสอนพระเจา้าและเป็นพฤติกรรมของ พ, พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะไม่ใช่ว่าตมาพูดเอาเองมีหลักฐานยืนยันเนี่ยพระบารีก็มีชัดชัดเจนยืนยันทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเราทำอยู่เนี่ยเราพยายามประพฤติอยู่เนี่ยนะมีปัญญาปาษาโถจะต้องรู้ พฤติกรรมของคนเป็นกลางเนี่ยมีปัญญาอยู่มอนบนปรสสารรู้ว่าอะไรคืออะไระพฤติกรรมของความเป็นกลางของผู้มีปัญญาจะต้องอ ะ, อ, ะอะไรที่ถูกต้องรู้ที่ถูกต้องอะไรที่ควรจะต้องทำส่วนผู้ที่ไม่เป็นกลางนั้นพฤติกรรมของคนไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาหรือเข้าใจไม่ได้ก็มีสามประเด็นง่ายๆ หนึ่งคือโง่หรือไม่รู้่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาก็ไปเข้าข้างไหนก็ไม่ได้ก็กลางของเขาก็คือเขาไม่รู้จะเข้าข้างไหนก็ไม่รู้ข้างไหนถูกข้างไหนผิดข้างไหนดีข้างไหนชั่วอีกข้ออย่างหนึ่งในประเด็นที่สองก็คือขี้กลัวกลัวเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมตําแหน่งเสียหน้าอะไรก็แล้วแต่กลัวเข้าข้างคนนั้นก็ไม่ได้เข้าข้างคนนี้กลัวจะเสียอื นี่อันนี้มีประเด็นนี้เยอะประเด็นนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่มีลาบมากมียศมากมีปัญญามีความฉลาดนะฉลาดรู้อะไรถูกอะไรผิดรู้แต่จําเป็นต้องเข้าข้างผิดต้องอยู่กับคนผิดไม่เป็นกลางก็เพราะกลัวจะเสียลาบเสียยศเสียตําแหน่งเสียหน้าเสียตาเสียอะไรพวกนี้ยเสียสันเสริญต่างๆนั่นก็คือหนึ่งโง่ไม่รู้เข้าข้างใครไม่ได้ สองกลัวสามมิจฉาทิฏ <Mobile> ฐิเห็นผิดเห็นผิดอะไรเห็นผิดว่าความเป็นกลางแล้วไม่ต้องเข้าข้างไหนนี่คือความเห็นผิดนี่คือมิจฉาทิฏฐินี่เป็นความมิจฉาทิฏฐิรู้ว่าข้างไหนถูกข้างไหนผิดไม่ได้อยู่ก้างกลางเพราะความเป็นกลางต้องอยู่ไม่เข้าข้างไหนนี่คือความเห็นผิดไม่รู้ใครสอนมา ไม่รู้ใครคำสอนของศ า, ศาสดาองค์ใดไม่รู้นะอาตมาไม่รู้แต่เขายืนยันว่าศาสนาของพุทธไม่ใช่อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วตั้งแต่พฤติกรรมทางรวมองรวมหมดเลยอย่าไปอยู่กับผานชนต้องอยู่กับบัณฑิตนะหรือแม้แต่พูดแม้แต่กล่าวก็ต้องตำหนิคนผิดคนชั่วยกย่องคนดีข้าชมข้ายกเข้าข้างดี เข้าข้างคนดียกคนดีชมคนดีเชิดคน ด, คนดีส่วนคนชั่วก็ตำหนิคอมว่าวิจารณวิจัยอะไรไปเลยนะสัธัมมโนโนี่ก็ต้องเป็นปัญญาภาษาโทต้องรู้อะไรผิดอะไรถูกไม่มีอคติต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ต้องว่าคนตามนั้นวิจีกรรมก็ตำหนิว่าอที่ชัวช่วยกโชมชมอธดีเข้าข้างอที่ดี ส่วนกายกรรมก็ร่วมกับฝ่ายที่ถูกต้องคบพานบัณฑิตนั่นเองจะไปคบพากับผ่านชนนี่คือหลักฐานความจริงและไอที่มันไม่ถูกต้องที่ทําไม่ถูกต้องก็มีอยู่สามในที่อาตมาพอแล้วหนึ่งมันโง่คนที่ไม่มีปัญญาจริงๆไม่มีความฉลาดอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกไม่รู้ว่าใครชั่วใครดีอันนี้ก็จนนํานดไม่รู้จะทำไงก็ต้องปล่อยเขาส่วนคนรู้แต่กลัวนี่สิ กิเลสแท้เลยโกรธเสียลาบยศทันเสริญสุขอะไรของตัวเองเสียหนา้าเสียตาเสียตำแหน่งอะไรก็ตามใจอันนี้แหละนะมันน่าเคาะกระบาลนะสวนอีกคนนึงก็อีกเหมือนกัน่นามิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจผิดได้ไงเพราะความเป็นกลางคือเนี่ย อยู่ไม่เคาะข้างคนไหนไ ม, ไม่เขาไม่คาะข้างคนไหนต้องอยู่กลางออยู่ข้างดงีไม่ได้ชั่วก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่หนน่าเคาะอีกเหมือนนะหนักหน่าเคาะยังไงไปเข้าผิดเข้าใจผิดจยางนั้นได้ไงนะไม่เคาะข้างคนไหนอะไระอะไรนี่ไม่รู้าศาสดาไหนสอนมาอย่างที่ว่านี่น่ะเพราะฉะนั้นในลักษณะของความเป็นกลาง เอาตรงนี้สะกก่อ น, นาความเป็นกลางนี่คืออย่างไรอัตอมาก็จะอธิบายสารัะของความเป็นกลางในฟังต้องสรุปเพราะว่ายาวไม่ได้เพราะมันละเอียดลึกซึ้งมากเลยความเป็นกลางนี่คําว่าความเป็นกลางนี่มันมีภาษาอยู่สองคำหลักๆ ห, หนึ่งอุเบขาสองมัชชิมาแปลว่าความเป็นกลางกลางกลางอุเบขากับมัชชิมา พราะฉนผู้ใดปฏิบัติธรรมจิตเป็นกลางคือจิตได้เป็นอุเบกขาคนนี้เลยจะมีปัญญาเลยที่สุดในที่สุดก็ได้เป็นมัชชิมาเป็นกลางคำว่ามัชิมาปฏิปทานีนเป็นคำสอนบทแรกทัดสอนขึ้นในการเปิดฉากศาสนาพุธเบื้องต้นเลยเป็นธรรมะบทที่หนึ่งเลย เจ่าพุทธเจาท่าประกาศต่อโลกประกาศต่อปัญจวคีธรรมจักกะวรสุทธรสอนมัติ ม, มาปฏิปทาคือสอนเรื่องมัชติ ม, มาแล้วก็บอกหลักเกณฑ์ก็คือปฏิปทาแต่คนทุกวันนี้เพี้ยนไปแล้วไปแปลมัติ ม, มาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางไม่ผิดแต่ไม่ครบมันก็เลยเพี้ยนไง คำว่ากลางน่ะเป็นผลคำว่าทางทางนี่เป็นมักมักก็แปลว่าทางอยู่แล้วปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาภาษาบาลีสองคำมัชฌิมาคํานึงปฏิปทาคำหนึงปฏิปทาแปลว่าทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติหรือจะเรียกสายก็ได้สายทางเดินสายทางนั่นคือข้อปฏิบัติ ส่วนกลางนั่นนะ่ะคือตัวผลกลางคือตัวผลคือมัชชิมามักข้าใครปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือทางที่ปฏิบัตินี่เข้าใจมากอย่างถูกต้องแล้วก็เดินเดินตามทางนี้ให้ได้ก็จะได้สู่ผลมัชชิ ม, มาเพราะไปแปลทางสายกลางนี่มาไปคาคาเดียว มันแปลคํานี้ขึ้นมาว่าทางสายกลางมันได้แต่แค่ความหมายของคําว่ามักคําว่าทางเดินอย่างเดียวมันไม่มีคําทางสายกลางทางไปสู่ความเป็นกลางถ้าจะแปลให้มันชัดๆทางเดินไปสู่ความเป็นกลางทางสายกลางภาษาไทยก็ขยายความกันโดยความหมายทางไวยากรณ์ฟังแรกก็คือ ทางนี้เดินกลางๆางนะทางนี้เดินกลางกลางอย่าเป๊ไปเป๊มานะใช่ไหมทางสายกลางอย่าเป๊ไปเป๊มานะเดินตรงๆนะเดินตรงๆนะอย่างเดียวมีความหมายแค่นั้นนะไม e ja ่ได้หมายควาไปสู่ผลหรือไปสู่ความเป็นกลางบอกวิธีเดินให้เดินอย่าเป๊ให้เดินกลางกลางนะเดินเอียงไปข้างนี้ก็ไม่ได้เดินเอียงไปข้างนี้ก็ไม่ดีก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกในเรื่องของมรรคเท่านั้นไง แต่ที่จริงแล้วมัชฌิมาปฏิปทามันมีทั้งคำมักคําผลมันมีทั้งภาษาคํานึงคนอีกคํานึงมักมันก็เลยไม่ได้อธิบายผลเลยว่าคืออะไรคําที่ท่านอธิบายนะั้นนะครับอธิบายผลมีมักด้วยผลคืออะไรผลคือเราไม่ตรงเมื่อเราไม่ไปปลายข้างใดข้างหนึ่งเราต้องทําให้จิตของเรา เป็นกลางจิตของเราไม่มีเข้าข้างใดไม่ไปเอียงข้างใดไม่ไปเอียงข้างหนึ่งไอ้คําว่าไม่เอียงข้างใดไม่เอียงข้างนึ่งคือจิตของเรายังมีกิเลสกามมีกิเลสอัตตานั่นคือมันยังเอียงมันยังมีอันตายังมีปลายข้างหรือจะบอกว่ามันตรงไปมันไปข้างโน้น ม, มันไปฝ่ายโน้นส่วนโน้นส่วนนี้นั่นแหละ ส่วนนี้คือปลายข้างนี้แม้แต่มันจะมีนิดหน่อยเป็นเรปลายข้างนิดๆ น, น, น้อยๆก็ไม่ให้มียิ่งไกล ย, ยิ่งมากข้างกามหนักมีกามมากหรือมีอัตตามากใหญ่โตทั้งสองข้างไม่ได้ไม่มีทั้งกามไม่มีทั้งอัตตาทั้งสองข้างนั่นจึงจะหมดเป็นกลางมันคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นกลางไม่ได้บอกความประพฤติซึ่งความประพฤตินั้น ต้องเข้าข้างคนดีคนเป็นกลางจะต้องเข้าข้างคนดีต้องส่งเสริมคนดีต้องช่วยคนดีต้องอยู่กับกลุ่มคนดีอยู่กับมิตรอย่าไปอยู่กับพานชนอย่างนี้เป็นต้นตรงนิ่งเพนแทต้องถล่มคนผิดต้องยกคนชั่วจะต้องพูดให้มันมีน้ำหนักอย่างนั้นนะไม่ใช่ปะ ว่าไม่ได้ไปรเดี๋ยวไปกระทบคนชั่วถ้าพูดว่าเขาไม่ดีอคนดีก็พูดไม่ได้เอ้าเขาบอกว่าอย่าพูดกระทบตนกระทบท่านอย่าพูดกระทบคุณพูดดีก็ไปกระทบคนดีคุณพูดชั่วก็กระทบคนชั่วต้องพูดกลางๆไม่มีชั่วไม่มีดีต้องพูดป้ายกลางๆนั้ะจะพูดดึงดีไม่ได้นะพูดดึงชั่วก็ไม่ได้นะแล้วมันจะเอาอะไรมาพูดละว่าอาตมาก็มืดหนาเหมือนกันนี่นะ ไอ้คําความเข้าใจของคนที่มันยา ก, ยากอันแต่ว่ามันยากนะที่กขาพูดมันยากมันเข้าใจเพลินๆดูดง่ายแต่มันยากจริงเลยที่จะเข้าใจชัดๆมันไม่ชัดเลยเน ะ, ะเพราะงั้นพระพบว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจสัจธรรมถูกต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยความเป็นการก็ไปถือเป็นรูปธรรมง่ายๆประพฤติผิดๆอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วสามข้อนั้นสังคมมันถึอไปไม่รอดต้มเหลว มันอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้นะนั่นคือความเป็นกลางเอาทีนี้เรื่องความเป็นกลางในะแถมเอาความเป็นการเมือง <c oughs> การเมืองวันนี้จะพูดขึ้นให้อีกมากๆกกว่าที่ได้พูดไปแล้วนะเพราะว่าวันวานวันที่สี่นั่นนะ่ะได้พูดเรื่องธรรมชาตินะเรื่องธรรมะกับชาติไปเป็นปรมัตาไปเป็นอะไรแต่ไรยาว มากกว่าแล้ว ม, มันหลักทำเป็นหลักธรรมซะเยอะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการเมืองที่คุณเยอะๆหน่วันนั้นก็พูดถึงการเมืองบ้างแต่ไม่มากนักที่คุณนัด ก, กฎหมายว่าที่เราพูดเริ่งปฏิบัติอยู่นี่มันผิดศรัทธานะไม่ไม่ศรัทธาศรัทธาแต่ว่าคุณปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเห็นผิดซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะาคนเราเห็นต่างกันได้ทางคุณนักกฎหมายว่าอาตมาเห็นอย่างนี้ผิด อย่างคุณนักนักกฎหมายเข้าใจว่าต้องไม่ยุ่งกับการเมืองเลยนะถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไม่ได้ไม่ได้จะแปลกใจไม่ได้ข้องใจอะไรอาตมารู้อยู่ก็พูดมานานแล้วนะฟังประเดเฝังกวีที่อาตมาเขียนไว้ในหน้าหนังสือเล่มใหม่เลยกำลังวางตลาดเนี่ยสิงหาคมเนี่ยฉบับสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยนะ เนี่ยประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงนะประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงนะเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวฟังดูเนื้อความของกวีนิดหนึ่งนะต้อมาจะอ่านก่อนแล้วก็ค่อยขยายความแล้วก็จะได้หมองเรื่องประชาธิปไตยผู้ปร ะ, ประชาธิปไตยจนหมดเวลาในแหละวันเนี้ย อธิปไตยที่ใหญ่แท้ในมนุษย์วิเศษวิสุดพุทธบัญยัติไว้สามชนิดวิสิทธิ์สุดพร้อมศาสตร์หากมนุษย์ประพฤติได้อีกด้วยประเสริฐสมหมายความว่าต้องเรียนรู้บัญญัติก่อนพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วว่าวิเศษวิสุดนะ พุทธิวิเศษที่สุทธ์สามชนิดนี้เลิศเลยพร้อมกับความรู้ทั้งหลายท่านขัดาตาจะยายไว้หมดพร้อมสาบหากมนุษย์ประพฤติได้อีกด้วยนอกจากรู้แล้วก็ยังประพฤติได้อีกด้วยประเสริฐสมปฐมแห่งอํานาจนั้นคืออัตตาหนึ่งสาอย่างนี่คือหนึ่งปฐมก็คือหนึ่งเพราะงั้นการอธิปไตยที่หนึ่งคืออัตตา อัตตาทิพย์ไต่ก็เรียกกันเป็นศัพท์เต็มก็ว่าอัตตาทิปไตยปฐมแห่งอำนาจนั้นคืออัตตาหากมนุษย์ขาดวิชากิเลสขย่าถ้าผูดด้ใดไม่มีวิชาจริงมีแต่อาวิชากิเลสขย่าทุกวันคนหลงอัตตาพาบ้าบาปมานักแหล ก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยทุกวันนี่หนักหน้าไปทุกวันเลยเพราะว่าไม่เอาธรรมะท้งๆ ท, ที่เป็นเมืองพุทธสอนเรื่องนี้ชัดๆเลยด้วยแต่ไม่เรียนกันแล้วไม่ปฏิบัติกันหรือเรียนก็ไม่เข้าใจเรียนก็เพียนไม่เห็นความสําคัญด้วยตาคนหลงก็เลยหล ง, ล ย, ลงยิ่งหลงยิ่งติดยึดอัดตจาพาบ้าบาปเดี๋ยวนี้ก็เต็มไปหมด ถ้าใหญ่อัตตานี่ถ้ามันใหญ่แล้วเวลวซ้ําแหลกบ้านเมืองปาลาไหลเห็นอยู่หลัหลับตอนนี้บ้านเมืองเจา้าปลาไหลในเพราะอัตตาใหญ่นี่เองนะทุกวันนี้เห็ น, นเห็นผลอยู่ชัดๆเลยสองสองไซด์อนาจนั้นคือใดทีนี้อันหนึ่งนะอัตาตาทิพย์ใจสอง อำนาจที่สองอธิปไตยคืออำนาจอำนาจที่สองคือใดคือโลกคือโลกซึ่งมีในยากสู้นะคำว่าโลกเนี่ยคนสู้มันยากเหมือนกันยากมากคนสยบอยู่ทั่วไปเป็นทาสมันเลยอะไรเอ่ยลาบ ยศสันเสริญรู้แต่แพ้อัตตาตนก็ตนนี่แหละไปแพ้โลกแพ้ลาบแพ้ยศแพ้สันเสริญจะต้องได้ต้องมีถึงจะสุขได้ลาบสุขได้ยศสุขได้สันเสริญสุขหรือได้กามสุขบำเรออัตตาสุขก็พอรู้กันรู้กันอยู่ แต่แพ้ตัวเองแพ้เพราะว่าตัวเองเป็นมีอัตตาไม่เรียนรู้อัตตาจริงๆ ร, รวมทั้งหมดแล้วแม่กามก็คืออัตตาถ้าเข้าใจแล้วไ ม, ไม่ไม่ติดในพยัญชนะแล้วจะรู้เลยแม้จะแบ่งแบ่งด้วยความรู้แล้วเอาบัญญัติบัญญตัญญติกํากับบัญญัติไว้ว่าอันนี้กามนะอย่างนี้อัตตานะก็คือตัวกิเลสกิเลสลักษณะแต่ละลักษณะก็ต้องรู้แยกออกแยกออกแล้วแล้วก็ กำจัดมันมันจะปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ตลอดนะเป็นคนพ้นโลกพร้อมอัตตาเพราะฉะนั้นสองตัวนี่หนึ่งอัตตาที่ปไตายสองโลกโลกคือโลกาที่ปไตา ย, ยถ้าเป็นคนพ้นทั้งโลกพ้นทั้งอัตตานะซึ่งมันก็ไม่ง่ายยากกว่ายากาศาสนา ช่วยได้เรื่องจะคนจะพ้นโลกเนี่ยเป็นคนจะพ้นโลกพร้อมอัตตาเนี่ยยากกว่ายากาศาสนาช่วยได้พุทธสอนอัตตะโลกาปรมาถะธรรมเฮยชาตศาสนาพุทธทา ส, าสอนตรงเลยสอนเรื่องอัตตาอัตตะเนี่ยกับโลกาโลกาหรือโลกเนี่ยถึงขั้นปรมัตถธรรม สอนถึงขั้นปรมัตถธรรมมาเข า, ว, าว่าสอนให้ถึงเรื่องของจิตเลยจิตนี่แหละตัวการที่มันหลงอํานาจอัตตาหลงอานาจโลกเป็นธาตาุอัตตาเป็นธาตาุาตาโลกให้โลกมันมีอํานาจให้อัตตามันมีอำนาจขี่หัวขี่คอขี่ตัวเรากดตัวเราขม่มตัวเราเป็นธาตาุมันสอกสอกเลยเนี่ยนะก็เพราะเราเข้าไปถึงปรมัต เข้าไม่ถึงจิตเจตสิกรูปที่ผ่านอ่านไม่ถึงตรงนี้พุทธสอนอัตตโลกาปรามาถะทำเฮยอธิปไตยเป็นสติไซอุตรขั้นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าผูดด้ใดปฏิบัติสมาธิแล้วได้มากได้ผลแล้วก็จะมีสติมีปัญญาสติจะมีถึงขั้นอธิปไตย ปัญญาจะมีถึงขัง้นอุตระนอธิปไตยเป็นสติอุตระเป็นปัญญาขั้นปัญญาเลยปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ผลอย่างนั้ น, นอันนี้อยู่ในมูลสูตพระพุทธเจ้าท่านตรัสไดชัดว่าสตินี้เป็นอธิปไตยอธิปไตยตัวเดียวกันนี่นะเป็นอำนาจเป็นแรงเป็นเรื่องอธิปไตยเนี่ยจะมีสติเลยเป็นคนมีสติแล้วมีสมญญปัญญาปัญญาสัมปชานะ สัมปัตตะสัมปันะหมดเลยทะลุเลยสติมันเป็นอธิปไตยแล้วมันมีอำนาจพร้อมครบนี่คุณสมบัติสมบูรณ์แล้วเนี่ยอติจะยิ่งสติจะยิ่งใหญ่เลยสติเป็นอธิปไตยนะ่และปัญญาจะเป็นอุตระนะอันนี้อยู่ในมูลสูตรชัดเจนนะคือเราปฏิบัติทําตามหลักธรรมอาพุธเจ้าหรือสูตรต่างๆทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาตรวจสอบได้หมดเลยถูกต้องหมดอ่นะ เอาต่อนอธิปไตเป็นสติไซอุตระขั้นปัญญานำพาอำนาจแท้ในคนเหนือโลกเหนืออัตตาตนยิ่งผู้เพรา ะ, ะนันเรามีสติมีมีปัญญามันก็จะนำพาเราเนี่ยมีอำนาจหรือมีอ ต, ติปไตอยู่ในคนเหนือโลกเหนืออัตตา ยิ่งผู้ยิ่งคนผู้คน ย, ย, คยูยิ่งใกลไหมดเลยยิ่งผูช่วยหิตะพระหุชนะหรือพระหุชนต้องอ่านพระหุชนเพราะว่ามันครงเหนือโลกเหนืออัตตาตนยิ่งผูช่วยหิตะพระหุชนเป็นสัตสัจจะช่วยมวลชนประโยชน์มวลชนหิตะประโยชน์พระหุชนหะิตายะนั่นเอง อ่าห้ไดประโยชน์ของมวลชนจะ ช, ช่วยประโยชน์ผู้ชนมวลชนประชาชนเป็นสัจจะธรรมะอธิปไตยกู้โลกทั้งอัตตาเพราะฉะนั้นถ้ามีธรรมะเป็นอำนาจด้วยก็จะกู้โลกกู้ทั้งอัตตาคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางมากอ่า พลั้เท่าธรรมะนี่มีอำนาจธรรมะอธิปไตยถ้าธรรมะเป็นอำนาจอยู่ในต้นแก้ได้หมดอำนาจตายโลกานะกูทั้งอัตตาเลยธรรมาทิปันะ่ดต้องโลกุตระธรรมาธิปตย์ก็คือธรรมะอธิปไตยนั่นแหละอธิปัต์ก็อธิปไตยนะย่อเขาก็เป็นอธิปัตด ธรรมะธรรมาทิปปะหรือธรรมาทิปไต่ก็ต้องขั้นโลกุตระจึงจะช่วยชนชนะอัตตแทะหากธรรมะแค่โลกิยะพ้นโลกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะนี่แค่โลกิยะจะพ้นโลกไม่ได้จะชนะอัตตาไม่ได้โลกิยะ ต้องโลกุตระถึงจะชนะอัตตาและชนะโลกอริยธรรมอริยทุกธรรมพุทธแก้อำนาจลายโลกาเพราะฉะถ้าได้ปฏิบัติธรรมเป็นโลกุตระแล้วนั่นแหละจึงจะช่วย น, นเป็นผู้ชนะอัตตาชนะโลกเป็นอริยะอริยธรรมเป็นอริยชน เป็นอาริยะสังคมหรือเป็นโลกอาริยะเลยแก้อำนาจรายโลกาจะแก้อำนาจนี้ได้เพราะงั้นธรรมมาทิปปัต t นั้นเป็นสามหนึ่งอัตตาทิปไตยสองโลกาทิปไตยสามธรรมมาทิปไตยถ้าเรียกสรุปเป็นคำสกุก็กลายเป็นธรรมมาทิปปัตถ์ถ้าเต็มเต็มก็ธรรมมาทิปไตย ธรรมาทิปต น, นเป็นสามเขาอจิสามเป็นอันที่สามหนะ้าอตาทิปไตยหนึ่งโลกธิปไตยสองธรรมาทิปไตยสามอำนาจตามนิยามพุทธีนี่เป็นของพุทีีได้จำกัดความมาไว้เป็นอำนาจสามอำนาจประชาทิปไตยงามดังปราถนาแหลนะ่เพราะงั้นถ้าเพิ่ว่าได้ ธรรมาธิปไตยเป็นที่สามนี่แล้วประชาธิปไตยจะงามดังปรารถนาเลยหากอำนาจเป็นชนี้ใหญ่แท้ยิ่งใดนะมันจะแปลว่นาวนาจของสิ่งที่เป็นจริงเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยแท้ๆก็จะใหญ่ยิ่งอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นจะเกิดประชาธิปไตยหรืออํานาจจะเกิดธรรมาธิปไตยแล้วจะเกิด ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงได้อย่างไรนะก็แหมจะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเอาก็ขอเลยไปหน่อยหนึ่งนะ่าก็ขอเข้าสู่คำว่าที่จริงวันที่สี่ที่ผ่านไปก็อธิบายไปพอสมควรแล้วเรก็ขอทวนอีกหน่อยหนึ่งสาหรับวันนี้นะก็คือคำว่าโลกหรืออัตตาเนี่ย ก็ย่อๆอัตตานั่นก็คือตัวเราตัวตนที่แท้จริงวันนี้ก็คงกําลังเริ่มต้นจะเขียนหน้าปกเล่มเราคิดอะไรฉบับหน้าก็คือจะเขียนเรื่องอัตตาเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่รู้จักอัตตากันแล้วก็มันมีอัตตากันเหลือเกินทุกวันนี้ น, นะมันเหลือจะแก้แล้ว เพราะงั้นก็จะขอบอกตรงนี้ก่อนว่าเพราะคนไม่รู้อัตตาเนี่ยแหละจึงไม่เข้าใจความเป็นคนที่มีอัตตาสหรับชาวโศกเราเป็นชาวโศกที่ได้มาล้างกิเลสโดยเฉพาะล้างอัตตาทั้งหมดคืออัตตากรารก็เป็นอัตตาว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวยึดเป็นตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาท่านสรุปไว้เนี่ย มันมีเท่านี้แหละมีโอราลิกะอัตตามโนมยะอัตตาแล้วก็อรูปะอัตตาอัตตาสามนี่แหละสําคัญอัตตปติลาโภนะเป็นอัตตปฏิลาโภไม่ว่าจะเป็นโอราลิกะโอราลิกะนะโอราลิกะปติลาโภไม่ว่าจะเป็นมโนมยะปติลาโภหรืออรูป ปฏิลาโภนะอันนี้พระเจ้าตัดกกไว้ในพระธรรมอิรกเล่มเก้าน่ะอยู่ในโพธปัทสุน่ะก็ไปอ่านดูวันสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จากความเป็นอัตตาแล้วเราละกิเลสได้ลดลงมาอัตตาจะน้อยลงจนกระทั่งหมดได้เมื่อหมดแล้วก็เป็นคนเป็นกลางจะไม่เข้าข้างคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเจ้าสงศ์ตอนนี้เนี่ยเราจะออกไปช่วย การเมืองจะออกไปช่วยการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนเราไปทำงานเนี่ยไปทำงานช่วยประชาชนเราไม่ได้ไปทำงานบำเน็ออัตตาเราไม่ได้ไปทำงานเพื่อที่จะมาหาลาบยศสฉินเริญใส่ตนอาตมามั่นใจอาตมาพาทาอยู่เนี่ยแล้วยามประคับประคองช่วยเพราะเราแม้จะกิเลสไม่หมดแต่คุมเกมอยู่อาตมาคุมเกมอยู่จริง ปฏิบัติประพฤติอยู่นี่ก็พอได้ดีพอใช้ใช้ได้ในพฤติกรรมที่ชาวโศกเราทำตลอดเวลาที่ไปทํางานกับสังคมโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนี่มันชัดเจนมันเด่นแล้วคนเห็นอย่างคุณนักนักกฎหมายอะไรที่ว่ามาเนี่ยที่คานแย่งอาตมาเนี่ยได้เห็นด้วยอาตมา ก, ก็บอกว่าอาตมาเองอาตมาเข้าใจตากนันกับคุณเท่านั้นเอง ไม่เห็นด้วยอาตมาเขขัดแย้งไม่ได้ในะความเห็นของคนจะ ม, ม า, าอาตมาว่าอาตมาเนี่ยทำงานการเมืองโดยเข้าใจการเมืองสองอย่างการเมืองที่ไปทำเพื่อตนเองอันนั้ น, นอาตมาว่าไม่ใช่การเมืองและมันก็เป็นการเมืองเพราะทุกวันนี้คนที่พูดว่าฉันไม่เล่นการเมืองฉันไม่เอานะอยาเอาการเมืองมาใส่ฉันฉันทํางานอาชีพฉันเป็นทหารอาชีพฉันไม่ใช่ทหารการเมืองฉันเป็นข้าราชการอาชีพฉันไม่ใช่ข้าราชการการเมืองฉันเป็นนักค่าธุรกิจ อาชีพไม่ได้เป็นนักข่าการเมืองฉันเป็นครูอาชีพฉันไม่ได้เป็นครูนักการเมืองฉันเป็นนักวิชาการอาชีพฉันเป็นนักวิชาการการเมืองฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนทำอาชีพสุดจริตดังนั้นไม่ได้เปียเกี่ยวกับการเมืองคำว่าการเมืองคำนี้มันเสียไปเพราะการเมืองที่ประพฤติกันทุกวันนี้มันเป็นพฤติภาพที่ชัดเจนว่าเป็นพฤติภาพของคนไปทางานการเมืองเนีผิดหมดเสียหมดเลวหมด ไม่มีใครชอบเลยรังเกียจหมดเลยคำว่าการเมืองมันหัวเน่าด้วยประการอย่างนี้เพราะนักการเมืองเป็นประพฤติให้การเมืองจิบหายวายป่วงเองการทำลายําว่าการเมืองนั้นฝีมือนักการเมืองเองทำบ่นเลยวันทุกวันนี้ไม่ต้องการนักการเมืองไม่ต้องการนักการเมืองที่เดือดร้อนในทวกวันนี้แต่แท้จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของบ้านของเมือง ทุกคนจะต้องช่วยบ้านช่วยเมืองทุกคนต้องทําการบ้านการเมืองไม่งั้นเห็นแต่ตัวไม่งั้นอาศัยอยู่ในเมืองในบ้านเมืองคุณไม่ได้ช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วคุณจะทําแต่ตัวเองเห็นหากินแต่ตัวเองอยู่แต่ตัวเองมุ่นอยู่เลยไม่เอาเรื่องบ้านเมืองจะจิบหายใบยปล ong ยังไงคุณก็อยู่ในเมืองในบ้านนี้ด้วยมันจะหายใบปล ong คุณก็เดือดร้อนด้วยเนี่ยความเข้าใจของอาตมา เพราะฉะนั้นแบบเข้าใจโดยพยัญชนะโดยพฤติกรรมที่มันทําให้คุณเถอพฤติกรรมของสังคมคนที่ทํางานการเมืองมันเพี้ยนและคุณก็ไม่ยุง่งอัตามาก็ไม่ยุ่งกับนักการเมืองแต่อัตามาต้องไปทํางานกับประชาชนการเมืองการเมืองมันก็ต้องไปปฏิสัมพัทธ์มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกับพฤติกรรมของการเมืองกับเรื่องของการเมืองมันจะทิ้งไปไหนได้ล่ะมันก็เรื่องต้องต้อง เชื่อมพันฏิสัมพัทธ์กันอยู่มันขาดกันไม่ได้มันห่างกันไม่ได้แต่เราไม่ได้ไปเข้าข้างเราไม่ได้ไปทําเพื่ออันนั้นในทําสิ่งที่เป็นการเมืองที่เลวการเมืองที่ไม่ใช่การเมืองที่พูดไปแล้วแต่เราจะกระทาการเมืองที่ถูกต้องงานที่การเมืองการเมืองที่อัตมานิยามเอาไว้หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ออกไปใหม่ๆที่ไปร่วมการเมืองตะตุ้นแรกพศห้านหนึ่ง สี่เก้าห้าหนึ่งนังสือเล่มนี้ก็ออกนะเป็นเราอัตมาเรียกว่าการเมืองใหม่การเมืองใหม่รอกรวมภาพการรอกคราบเป็นการเมืองใหม่อ่าที่ไปร่วมชุมนุมกับพันธมิตรตอนแรกแร ก, แรกนะแต่แต่สี่เก้าหนังสือเล่มนี้ก็มาออกข้าหนึ่งออกข้าหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะอัตมาก็ พูดไปโดยข้อมูลยังไม่ได้ตรวจตรวจทีเดียวนะก็อัตมาก็เปิดเผยอันนี้ว่าการเมืองของอัตมาในอัตมานี้านยามเอาไว้สิบข้อง่ายๆก็ทวนอีกทีหนึ่งว่าการเมืองต้องมีคุณธรรมและเป็นกุศลในข้อที่หนึ่งนะการเมืองต้องมีคุณธรรมและเป็นกุศล สองนักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้เพราะนักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้แต่ทุกวันนี้นี่นักการเมืองขอาอภัยเถอะจะว่ารู้อัตมาก็ไม่เชื่อว่าจะรู้จริงมึงก็ไม่รู้จริงนักการเมืองก็ต้องรู้แต่ไม่รู้ไม่รู้จักการไม่รู้จักประชาธิปไตยคืออะไรแท้ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งมันเป็นขั้นที่ห้าประชาธิปไตยอัตมากอธิบายไปแล้ว ประจ่าธิปไตยโดยเฉพาะพระจ่าทิเบตไตที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศที่มีงั้นการเลือกตั้งนี่เป็นระดับที่ห้าอธิบายไปแล้วอาตมาไม่ทวนอธิบายไปแล้วก่อนๆเป็นคนหาฟังสามนักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประจ่าทิเบตไตให้ให้แก่ประชาชนต้องต้องสอนต้องสอนประจ่าทิเบตไตเผยแพร่ประจ่าทิเบตไตให้กับประชาชน ประชาชนก็ต้องใส่ใจข้นคว้าเรียนรู้ไม่ใช่ว่ารู้แค่ไปเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใชนะ่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในประชาธิปไตยคือเลือกตั้งไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกไม่ขยายความเพราะเลือกตั้งทุกวันนี้มันก็ผิดเพี้ยนไปต้องไม่รู้เท่าไหร่มันขบดนะเลือกตั้งขี่โกงเลือกตั้งไม่เอาไม่พูดต่อมันยาวเวลาหมดแล้วนะห้า เอาสินักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้ชาวโซรเรายังไม่ได้พึ่งตนเองยังไม่ดียังไม่ได้เราก็เลยไม่ออกไปตอนนี้เราก็พอตั้งตัวได้บ้างเราก็เลยออกไปช่วยการเมืองได้บ้างพอที่จะพึ่งตนเองรอดเราก็เลยพอได้ก็ไปก็ไปช่วยทางข้างนอกเขาบ้างอย่างที่เป็นนี่ยเรามีส่วนนิดส่วนเกินเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากสังคมเราไปช่วยการเมืองเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากการเมือง เราไปเสสละจริงๆเราไปให้เพระเะนั้นขอขยายความตรงนี้ก่อนเอาอ่านให้จบก่อนสิบข้อประเดี๋ยวมันก็ไปเยนใหญ่เอาสี่นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้แล้วห้านักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษนักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสงบโดดขึ้นไปมากๆขึ้นไปตะกราตะการามขึ้นไปลาลาบลายยอดอยู่นั่นนะ่ะไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เขายืนยัน เพราะางไปตะกะตะกลางไปจะเอาขึ้นเงินเดือนจะไปทไําอะไรหารายได้ยิ่งไปขอรชัองรชงรับจานมันคนบ้าไม่ใช่นักการเมืองหรอกนะต้องไปผู้บังน้อยสันโดษห้าหกนักการเมืองต้องไม่ทํางานการเมืองเป็นอาชีพนะเป็นอาชีพหากินนักการเมืองต้องไม่ทํางานการเมืองเป็นอาชีพหากินไปทํางาน ข้อเจ็ดอกต่อเลยงานการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละไม่ใช่ไปทํางานการเมืองเพื่ออาชีพหากินไม่เลยเต้องควักเนื้อด้วยเป็นไม่ปฏิธรรเป็นอาชีพหากินไม่ได้ไม่ใช่งานหากินงานเสียสละงานอาสาฟังคนยังไม่พร้อมอย่าไปเป็นนักการเมืองต้องพึ่งตนได้แล้วก็มีทุนพอเหลือไปอาสาเสียสละต้องไปทํางานให้เสียสละดังข้อที่สี่ที่ห้า ตัเองได้แล้วมักน้อยได้แล้วเสียสละเลยนะเจดหนักการเมืองต้องไปทาํ า, อ ง, อ า, า 7, งานการเมืองอย่างอาชีพภาอกรแล้วเจดงานการเมืองงานนะงานการเมืองต้องเป็นงานอ า, าสาเสียสละเมื่อกี้ก็พูดไปนิดหน่อยแปดนักการเมืองจะต้องไม่อคติต้องพ้นอคติสีนักการเมืองต้องไม่ต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอยียงข้างโน้นข้างนี้อย่างงน้นอย่างนี้ ความไม่ลำเอียงนี่นะนี่คือความเป็นกลางของคุณสมบัติไม่ได้หมายความว่าความประพฤติความประพฤตินั้นต้องเข้าข้างคนดีต้องประพฤติอย่างไม่มีชั้นตากติโทสะคติมหาคติพยาคติต้องไม่ประพฤติให้มีกิเลสในนั่นเป็นตัวบังคับแต่ต้องช่วยสิ่งที่ดีที่ถูกเดี๋ยวจะพูดแล้วไม่เข้าใจมันเป็นชวนจริงถ้าเพราะงั้นผู้ใดล้างกิเลสโลภโกรธโลงชั้นทะคือรักนะชอบ โทสะคือไม่ชอบโมหะคือหลงพยาคือกูกลัวกลัวเสียระเสียยศนี่เป็นตน้นเพราะมันมีอคติสี่นี้คนนั้นเป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินความไม่ได้เพราะมีอคติในตัวเพราะฉะนคนที่จะเป็นผู้พิพากษาคนดีเป็นครูกนดีเป็นกรรมการกนดีเป็นอะไรก็ดีที่ทํางานส่วนใหญ่นะ่ะโดยเฉพาะเป็นข้าราชการที่ทํางานกับประชาชนต้องไม่มีอคติ ถ้ามีอคติเลวหมดเลยที่ไหนก็เลวนเอาต่อจะไม่จบเอาจนได้นักการเมืองจะต้องมีอคติเจ็ดเก้าไม่เจ็ดเจ็ดแล้วเก้าแล้วแปดแล้วนักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้จริงไม่เป็นธาตุโลกธรรมไม่เป็นธาตอัตตาด้วยการเดินใจในู้ทั้งโลกธรรมลนอัตตานักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้จริงสิบยาวหน่อยอันนี้นิสรุปนะ งานการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่งานเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเพื่อหมู่พวกเพื่อพรรคแต่เป็นงานเพื่อบานเมืองเพื่อประชาชนทั้งมวลเพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเองพ้นไปจากครอบครัวพ้นไปจากหมู่พวกแม้แต่พ้นไปจากพรรคของตน นี่คืองานการเมืองอโศกมีพักการเมืองชื่อว่าพักเพื่อฟ้าดินนี่ไม่ได้มาหาเสียงไม่ได้มาหาคะแนนให้แก่พักเพื่อฟ้าดินนะแต่ทํางานการเมืองอยู่ทุกวันภาคประชาชนไม่ได้ภาคเพื่อพักเลยไม่ต้องการอํานาจไม่ต้องการยิ่งใหญ่ไม่ต้องการเข้าไปเสนอหน้าเสนอตัวอะไรเลยทํางานอย่างผู้รับใช้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ เพราะฉะนั้นงานนี้นี่ก็ขอพูดถึงปัจจุบันธรรมขณะนี้พวกเราชาวโสมนี่เปิดตัวบอกไปแล้วข่าวเขาก็ออกให้แล้วว่าชาวโสกเราจะเข้าไปที่สวนลุมที่มีคณะกอปทคณะกองกองทัพประชาชนที่จะขับไล่ระบอบทักษิณอยู่ที่นั่นซึ่งได้ทาการมาแล้วหลายวันเราก็เธอก็ช่วยอยู่เล็กๆน้อยๆ ย, ยังไม่ได้นั้นเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ก็มาถึงขั้นนี้แล้วเราก็เห็นว่าเอเราก็ควรจะต้องช่วยท่้ต้องช่วยเพราะอะไรต้องฟังประเด็นอย่างนี้ต้องช่วยเพราะว่าขณะนี้เขาจะทำมีเป้าหมายจริงๆไม่ได้ทำเพื่อพักทาไมเราไม่ไปช่วยพักประชาธิปัตย์โดยองค์รวมแล้วเรารู้แล้วว่าประชาธิปัตย์ทำเพื่อพักเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เข้าไปเท่าไหร่เราก็ไม่ช่วย แล้วก็เขาไม่เข้าไปเอาตัวเข้าไปอะไรมากนะเพราะว่าเขาไม่ปลอดไม่ปลอดตัวตนแต่อันนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยและกลั่นกรองมาแล้วมันไม่มีใครเป็นคณะเป็นเจ้าของเลยไม่มีทำเพื่ออะไรก็ไม่เพื่ออะไรมือก็มารวมกันรวมตัวกันปับป๊บมาปับ๊บตั้งแต่คณะเสอยไอมาทีแล้วราองไปร่วมนัยนั้นแหละ เป็นการทำที่เพื่อประชาชนกลางๆไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพื่อที่จะเพื่ออันนนอันนี้อะไรแต่มันมีมนุษย์ที่จะมาเห็นแก่ความเป็นกลางเพื่อประชาชนก็มารวมตัวกันตั้งแต่คณะเซอ้ายนั่นที่นึงลหรือแม้แต่เราไปร่วมแต่คณะพันธมิตรนั่นก็ตามก็อันนี้เราไม่ได้ไปเข้าข้างเราไม่ได้ไปอยู่ไปอยู่กับคณะอะไรพวกนั้นเลยเราไม่ได้ไปเข้าแม้แต่ที่สุด เวทีของพันธมิตรก็เวทีหนึ่งเวทีของกองทัพธรรมก็เวทีหนึ่งสุดท้ายตะลังก็เห็นอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานร่วมกันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่เราไปกันเนี่ยเราไปเพื่อช่วยประเด็นสำคัญก็คือเราเห็นเนื้อแท้เรามองไปในปัญญาของเราว่าอันนี้นี่มันช่วยงานประเทศชาติที่มีกรณีกำลังเกิดตอนนี้เนี่ย ซึ่เราเป็นมีความเห็นร่วมว่าอันนี้เขาจะไม่เอาระบอบทักสินการจะเสนอเสน อ, อพระราชบัญญัติเข้าไปที่จะล้มล้างอะไรต่ออะไรกันเนี่ยเพื่อที่จะยกเลิกปลองดองอะไรที่จะยกเลิอกอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะพวกนี้ที่ว่ากันอยู่เนี่ยเราไม่เห็นด้วยเราค้านถ้าคืนเข้าไปเสร็จปั๊บนี่นะพวกนี้นี่เล่เหลี่ยมมากปั๊บแล้วก็จะตามที่เรา เราไม่ผิดหรอกถูกหมดนั่นแหละที่เขาจะทําอะไรก็รู้กันทั่วอยู่แล้วสำหรับพวกพอมีปฏิปานปัญญาเราไม่เห็นด้วยเพราะมันจะพังหมดบรรลัยหมดเลยทั้งประเทศแน่นอนเลยก็ขนาดทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้ฟังเสียงกฎหมายเขาละเมิดกฎหมายมาหมดเลยแล้วก็พากันใช้อํานาจ บ, บาดใหญ่ทําลายกฎหมายอะละเมิดกันอยู่คลุคมคม่คมมอยู่กัจนกระทั่งกเกิดเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวไปจนกระทั่งกลัวกันหมดแล้วอะไรก็กลัวหมดแล้ว แม้แต่ตำรวจก็กลัวอยู่ในข้อพยาคติกลัวจะเสียอำนาจกลัวจะเสียตำแหน่งกลัวจะเสียอาชีพโดยจํานวนซอก ๆ, ๆเป็นทาสสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยขอพระอ า, าอตมาพูดชัดมันอาจจะตรงมันแรนไปหน่อยนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเลวร้ายของสังคมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างนี้อาอตมาพูดสั้นๆน้อยๆแค่นี้แหละเพราะว่าอาตมาไม่จําเป็นจะต้องไปสอนสังะจะลัคเฆ่ไหว้น้ํา นะเพราะงั้นอันนี้ก็พอเข้าใจกันอัตมาว่าจะมีความเฉลียวฉลาดกว่าอัตมาด้ยซ้ําไปอัตมาก็รู้กันทำนี้เทำนี้ไม่มากนักหรอกแต่ก็พอรู้พอสมควรนะตอนนี้นี่เมื่อคณะนี้จริงใจและอัตมาก็เห็นเหตุปัจจัยว่าเอออันนี้ยังน้อ ย, อยอที่สุดก็ช่วยดีอัตมาก็มาช่วยผู้เพี่ยงพล้ําอันนี้ก็เพี่ยงพล้ําตอนนี้เพี้ยงพล้ําถ้าจะมองแล้วอย่างอัตมาก็มองว่าเออ มันรู้สึกว่ามันไม่เคยเด็ดแต้มนะทางด้านที่เขารุกๆอยู่ตอนนี้ดูเหมือนเด้ดแตามและแม้ยิ่งโบนแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหรับหลักการละวันนี้ก็โบนกันแล้วรับหลักการแล้วคะแนนต้อชนะซึ่งมันของแน่เลยให้ไปสู้ในสภาโหวตในสภามันชนะไม่ได้เพราะมันผดเด็จการทางสภาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเอา ให้หมาเป็นควายให้ควายเป็นลิงอะไรก็ได้หมดแล้วจะให้กล้วยเป็นก้า่ชี้กล้วยเป็นไก่อะไรได้หมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจราาิงเป็นอานาจใหญ่จริงๆเป็นอํานาจเผด็จการเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการทางสภาอ่ามันเป็นเผด็จการที่แท้จริงมันเป็นไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันหมดฤทธิ์หมดแรงหมด ทุกอย่างแล้วเพราะงั้นคนที่ไม่เข้าใจถึงอํานาจทวงดุลแล้วก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องจริงใจแล้วก็ต้องทํามันเอียงอย่างเห็นชัดเจนอยู่แล้วเพราะงั้นเป็นไปไม่ได้นะเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยต้องยอมก็ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของเขาเป็นอย่างนัต้องยอมแต่เราก็ไม่หยุดเราก็ต้องช่วยกันเพราะอาตมาก็มาช่วยผู้เพียงพร้อมไม่ได้ไป เชี่ยนชิงที่จะไปเอาเข้าข้างชนะเอาโน่นี่นะถ้าทั้งนี้ชนะก็ดีแต่ถ้ามันไม่ชนะก็ไม่รู้จะทาไงแต่ต้องไปช่วยเขาขายแคลนผู้ที่ช่วยเป็นหลักในเรื่องของพลาลติการก็ดีในเรื่องของอ า, าชาติก็ดีที่เราเป็นตัวหลักเราก็ถนัดอันนี้เช็ดปัดกวาดถูรับใช้นี่เราได้ได้เราเ อ, า อ, าอาโศกเรานี่เรืยกว่ากองทัพธรรมนี่เราแกงแต่จะให้ไปดีตีลบปบกมืออะไรไป ตีลันฟันแทงฆ่าแกงกันกับใครนี่ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้แต่บอกว่าสู้ไม่ไม่สู้ไม่สู้แบบนั้นไม่สู้สูสสแบบไ้ไม่สู้ไม่สู้แบบนั้นไม่เอาไม่สู้แบบนั้นไม่เอาอใครจะบอกขี้คลาดก็ไม่ว่าก็าไม่เอาไปตีลันฟันแทงรบประมีเพราะงั้นเราไปทําที่บอกว่าการเมืองใหม่ เป็นแบบไหนเราก็มีอะไรแต่ไรของเราทำมาไว้หมดเลยว่าจะต้องออหิงส า, าโหสิจะต้องอะไรอาตมาก็จาไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เรือแล้วนะที่ทำไปนั่นมีเล่มที่บอกว่าไอ้อะไรเพราะน่าจะชัดไ้ยเอามาดูอีกทีหนึ่งอาตมาไม่ได้เตรียมตัวอันนี้มาเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยเตรียมงานที่จะมาพูดมาอะไรอาตมาทุกอย่างก็เอาเลือดและวิญญาณสดๆมาใช้เสมอเลยไม่ค่อยเตรียมงานนะ จะต้องอะไรมักประหยัดอะไรมันไม่ใช่จะต้องอะไรการเมืองห้าอย่างเนี่ยอะไรม้างสันติอหิงสาอโหี่ไม่มีเพราะเสียสันติอหิงสาซื่อสัตว์ฮะคมชัดลึกแม่นประเด็นอะไรพวกเนี้ย นั่นคือการเมืองใหม่ระบอบนีโอโปรเทสเข้าไปประท้วงการประท้วงนี่คือประชาธิปไตยอัตมาที่บายที่บายคอจะแตกหนึ่งเสีย ง, ห น, งหนึ่งคนหนึ่งเสียงเอ็ดอำนาจแท้อำนาจของพระพุทธเจ้าอำนาจธรรมะอำนาจจริงอะไรอย่างนี้พูดตลอดเวลาขยายความเขาก็ไม่เข้าใจประชาธิปไตยคืออะไรประชธิปไตยคืออำนาจของคน สดสดหนึ่งคนออกมาเลยหนึ่งเสียงคะแนนนี่แหละคือเสียงสวรรค์ตัวชัดๆไม่ต้องไปเอาตัวแทนนี่ไม่ใช่ตัวแทนตัวจริงตั ว, รตวประชาชนหนึ่งคนหนึ่งเสียงร้อยคนร้อเสียงล้านคนล้านเสียงยังพูดจำนวนประเสียงตกปล้องนี่อยู่เหมือนเดิมออกมาเลยยืนยันเลยนี่ออกมาขณะนี้นี่เราออกมาชุมนุมกนันนี่ออกมาถ้าได้ล้านคนแล้วนะเดินเลยตำรวจไม่ถึงล้านอมายังไงก็ไม่ถึงล้านเดินไปเลย ตำรวจทำร้ายปั๊บเี๋ผิดเลยเดี๋ยวนี้ก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยมาต้านไม่ให้มาให้ไม่ให้แสดงไม่ให้แสดงการต้านทานหรือการออกเสียงสิทธิ์เสียงนนคะแนนกําจัดเขตออกกฎหมายอะไรออกมาฉุดเชิญอะไรออกมาห้ามกันคือการไมหมดทั้งๆั้่ยังไม่เกิดอะไรเลยการไม่หมดที่เขาก็พูดอยู่แล้วนักกฎหมายก็พูดมาแล้วอาตมาไม่พูดต่อหรอกซึ่งมันเพี้ยนม่ผิดมันเลอะเทอะไปหมดเลย เพราะฉนั้นจึงบอกว่าต้องเอาคนนี่มาจริงๆแล้วนี่ตำรวจเขาก็ต้องยอมจริงๆอะ่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาเองเขาทําร้ายประชาชนเมื่อไร่เขาเข้าคุกเขาเข้าคุกก็ทําไม่ได้ประชาชนอย่าไปพยายามระมัดระวังอย่าไปโกรธแค้นอย่าไปโมโหอย่าไปเข้ายั่วยุกันอะไรต่างๆเขาบมันจะเกิดอะไรขึ้นมาประทะกันบ้างอะไรบ้างเขาก็ต้องกันกันกันบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องอดทนอ่ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราศึกษาเข้าใจแล้วพวกเราถึงว่าเราก็ทำเราก็นำแต่เราเองเราเห็นแล้วว่าตอนนี้นี่ยาบขายมากอีกฝ่ายหนึ่งนี่ยาบขายมากเราก็เลยต้องลดบทบาทนี่ลงก็พยายามที่จะกลับมาใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราได้ใช้ตั้งแต่นนท์แล้วเล่าอีกตั้งแต่ผู้การแต้ม นำคณะตำรวจจะไปปราบเราไปถอนรากถอนโยงที่เราตบ น, นั่งประท้วงอยู่ที่สะพานสมัยมิเชนันพอรู้เราก็เตรียมมาเตรียมแล้พอรู้เราก็เอา้ามาแล้วก็เอาความสงบเขามันนั่งสงบตั้งแต่ตีสองยันหกโมงเชา้าอ่ะชนะผู้การแต้มต้องพาตำรวจที่กองทัพตำรวจทั้งเข้าของขนอะไรมาเอามาหมดเลยในบริโอมบรเอออะไรขามากันใหญ่เลยวันนั้นอะ่ะ แต่ดีนี่ยังไม่รอไหม่ให้มันใหญ่เท่ากับวันนี้อ่ะแต่ขนาะนั้นก็ไปเล็กแล้วเราหามาค้นมาทั้งเอารถเครนรถแมกโคนเอาอะไรอะไรมาหมดเลยเครื่อไม้เครืมือจะมาจัดการรื้อพวกเราให้หมดไปเลยจะล้างบางเสร็จแล้วเราก็นั่งสงบเฉยนี่เป็นผลที่เห็นชัดเลยว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวถ้าไม่ได้มีรุนแรงและไม่ได้มีอาวุธเขาก็มาค้นหมดนะ่ะ เจอมีดที่เราทํางานทําการอะไรเหลืออยู่เล่มหนึ่งแล้วก็มหาว่าเรามีอาวุธคนหมดเลยมารื้อมาค้นหมดของของเราเสียหายไปตั้งหลายอย่างตํารวจมารื้อมาคนนะเขาก็ช่างแม่มาริยากก็ไม่ค่อยจะหนีนักของเครื่องเราพังเพิงเสียหายอะไรต่างๆนานาในอย่างนี้ถนะ้าเขาก่อนนะั้นมารื้อเราเลยตั้งก่อนนี้เป็นุมก็อยู่รุ่นก่อนที่อยู่ตรา ด, ดําเนินทางโน้นเอาของเราโยนลงคลองเลย ทั้งกำลังทั้งช้อนโอโตเตนเตนเรบผักทั้งทําลายอะไระอะไรหมดเลยนั่นซึ่งก็ผิดหน้าที่หมดเลยถ้าฟ้องร้องก็ผิดชัดๆเลยมีหลักฐานมีวีดีโอมีอะไรถ่ายไว้หมดนั่นแหละแต่เราไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวน ะ, ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ายามทํานะซึ่งจะเห็นรูปนี้เราก็ทําเป็นปฏิทินเดยซ้ําไปว่านี่เป็นเรื่องของเนี่ยจะจะทำสงครามสังคมธรรมการเมืองเป็นภาพที่เราไป ทั้งสมณะทั้งนักบวชทั้งปร ะ, ประชาชนนั่งกันหยุดได้หยุดได้ก็เป็นตำรดวจที่ชื่อว่าอะไรวิอะไรวิอะไรฮะพตำรวจตรีอะไรนะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็มี อที่มีปาลมที่หูเผู้การแต้มเขาเรียกผู้การแต้มกันนะก็ เ, เป็นคนมีธรร ม, มะมีคุณธรรมแต่ถ้าเผื่อว่าคนไม่เป็นคนอัตพาณิชจริงๆก็คงลำบากเหมือนกันนะถ้าเป็นคนอัตพาณิชก็น่าลาบากแต่นี่ดีว่าตํารวจก็เออเป็นคนที่เข้าใจและไม่กล้าทําลายความสงบไม่กล้าทำํำลาย ธรรมะหรือคุณธรรมเขารู้จักธรรมะแต่ตำรวจยุคนี้เนี่ยโอ้โหอาจะมาเจอแหมท้สงใสถ้าอยู่อีกเจอปืนแน่เลยนี่เจอแรถแก๊สระเบิดแก๊สน้ำตาถ้าทำต่อไปเจอมาอะไรนะไอ้ยันเจ็ดสิบเก้าหรืออะไรอ่ะปืนอะไรของเขาอ่ะสัญลัเปิร์อะไรอะไรพวกนี้ยโอ้โหเจอแน่เลย คือมันต่างางคนต่างต่างกันต่างอย่างเลยเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานยืนยันต่างๆนา น, นานนะว่าอาตมาเขาเห็นว่ามันเป็นยุคที่เมืองไทยอาตมาว่าไปสิ้นไรไม่ตอกหรอกอนะคุณธรรมก็คงจะเข้าไปได้เพราะฉะั้นตอนนี้นี่อาตมาประมวลแล้วว่าอ่าเนี่เราก็ต้องไปช่วยคนที่การต้องผู้ล้มเราก็ต้องช่วย ผู้เดือดร้อนเราก็ต้องช่วยนะเราไม่ได้ไปเข้าข้างนะเราไม่ได้เป็นลำเอียงประเภทที่เรียกว่าอาคติอะไรเราไม่ใช่แต่เราไปช่วยสิ่งที่ควรอะไรควรเราก็ทําซึ่งสิ่งที่อาตมาทำนี่อาตมาเชื่อว่าคนยังไม่เข้าใจในรายละเอียดใจจะมีอีกมากซึ่งอาตมา ก, ก็ไม่มีปัญหาเราอาตมา ก, ก็ไม่รู้จะไปบังคับความฉลาดเฉลียวของคนอย่างไรได้อาตมา ก, ก็ทําไปตามจริง ได้อย่างไรก็ทำตามจริงไปได้ขนาดไหนก็ทำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็บอกแจ้งต่อพวกเราว่าเราจะออกไปช่วยนี้เราจะไปทำงานช่วยส่วนทางด้านผู้ที่คณะที่เขาฟอร์มงานกันมาทำงานกันมาเขาจะมีอะไ ร, ะะไรก็ฟังเขาจใจอะไรขาดแคลนอะไรที่พอช่วยได้ช่วยส่วนเรื่องของการงานที่เขาจะทำนั้นเราจะช่วยมีอะไรเสริมมีอะไรที่จะ เป็นประโยชน์แกเขาได้ถ้าเราได้แล้วก็ทำเราก็ช่วยเสริมโดยสิ่งที่เสริมนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อทำลายไม่ได้เป็นไปเพื่อเสียเสียหายไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะมันอคติหรือว่าอาธรรมไม่มีอธรรมอะไระเราอยู่ในธรรมะคือเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมาตลอดก็ 40, 40กว่าปีอาตมาทำงานก็มาพวกอาจารย์อโศกก็พาไปทำเนี่ย ทำแต่สิ่งอย่างนี้กับสังคมนะเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวกับพวกเราว่าหรือแม้แต่ประชาชนท่านก็รับทราบด้วยกันแล้วกันว่าการออกไปคราวนี้นี่ไม่ได้ออกไปเพื่อที่จะไปรบราค่าฟันไปทํางานร่วมกับการเมืองเพราะอาตมาบอกแล้วว่าการเมืองคืองานของหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องดูแลบ้านเมืองที่เราอยู่ร่วมไม่ใช่คนใจดําไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เราบางคนจะคนอากตันอยู่ไม่คนมีกระตันอยู่ต่อชาติประเทศบ้านเมืองเราอาศัยบ้านนี้เมืองนี้อยู่กินจนตายนะตายในที่นี่แหละเ อ, อาเถอะใครจะไปตายที่อื่นก็ช่างเถอะนะถ้าเราเองเราไม่จะทําเลยจนเขาไล่หนีจากประเทศอยู่ประเทศไม่ได้มันก็ตายในประเทศนี้ไม่ได้อแต่ใครที่จะเป็นไปก็แล้วแต่สนะิอยู่ประเทศไม่ได้ก็แล้วแต่ใครตัวใครนะ อยากจะมาประเทศจะตายมาไม่ได้เพราะอะไรนะก็ะถ้าเผื่อดีๆจริงๆนะมันมาไม่ได้ยังไงนะนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ชัดๆอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครกระมุแกล้งนะประชาชนคนไทยนี่มีคุณธรรมนะเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะเขารู้นะเพราะในขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์มันมาถึงขนาดนี้เราก็เลยเห็นว่าอนะเราก็ไปช่วยทั้งนี้มันสุดลงไป แล้วก็ไปช่วยเหมือนกับคนล้มก็ต้องไปช่วยลุกคนบาดเจ็บก็ต้องไปช่วยรักษาคนขาดแคลนไม่มีอาหารจะกินก็ไปช่วยทําอาหารให้บ้างคนอะไรต่อะไรก็ทําเขาทําเพื่อตามหลักเกณฑ์ของสังคมแต่ตมาก็ไม่เห็นว่าเขาทําอะไรละเมิดกฎเกณฑ์อะไรเขาก็ทําตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วเราก็ไปช่วยคนที่ควรช่วย ทางด้านโนนะ้นเาแรงเขามีข้ออะไรโ อ, โ อ, โอ้ไม่ต้องไปช่วยไปช่วยแล้วก็ อ, กอัตามาก็แล้วก็หลายอย่างที่เหตุปัจจัยไม่ช่วยนะทางด้านนี้มีเหตุปัจจัยหลายอย่างก็ประเมินประมวลข้อมูลต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็มันควรจะช่วยกันพอสมควรก็ออกไปช่วยไปทำงานตามหน้าที่อัตามาว่าตอนนี้เราเปิดตัวชาวโซเราทำงานการเมืองก็ดีททํางานช่วยทางด้านเศรษฐกิจก็ดี ทำด้านของการสังคมศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆกรดีทับอยู่กับสังคมเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักอโศกดีนักว่าอาโศกนี่ปฏิบัติประพฤติมันมีแนวทางแล้วมีทฤษฎีหรือมีเป้าหมายมีคุณสมบัติอันลึกอย่างไรซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นคุณสมบัติที่เป็นพุทธสมบัติเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าพาเป็นซึ่งเรา ตรวจสอบอาตมานี่แหละตรวจสอบสรธรรมะพระพุทธเจ้าเสมอว่าถ้าเราทําอยู่นี่มันเข้ากับหลักสูตรอะไรมันขัดแย้งกับหลักสูตรต่างๆพวกนั้นอย่างไรหรือไม่ตรวจสอบนะไม่ใช่อัตมาไม่ตรวจสอบแต่ก็เห็นว่าเป็นไปสอดคล้องกับธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอาตมาก็มั่นใจเพราะเรายังดีที่หลักฐานธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีพระแทรปิดก็ยังมีหลักฐานที่จริงที่ดีครบคันอยู่เราก็ทําตามนั้นอย่างมั่นใจอยไม่ได้ไป ทำอย่างคนบ้าละหำ่ำคนที่ไม่รู้จักอะไรตะเป็นอะไรเลยไม่ใช่เลยแล้วนะก็บอกแจ้งทั้งพวกเราชาวโศกทั้งหลายแหล่ว่าตอนนี้ก็มาช่วยกันนะเราก็ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันนะัตามาก็ไม่ได้บอกไม่ได้ประ ก, กาศอย่างเป็นทางการแล้วนะวันนี้ก็ประ ก, กาศเป็นทางการนะอย่อ้าวเราก็มาช่วยกันนะตามความถนัดของเราอะเราก็ถนัดตามภาษาเราเท่านี้เราก็ทาอย่างนี้ อย่างที่เราแสดงไปตามความจริงที่เรามีจริงคนก็ยังเข้าใจได้ยาการะแวงระแวงอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราห้ามห้ามกันไม่ได้คนเราเระแวงแล้วเขาไม่เชื่อไม่เชื่อใจใครง่ายๆหรอกโดยเฉพาะ อ, อย่างชาวโซนเรบอกว่าเราไปทํานี่อย่างจิตสะอาดนะเราไม่มีไปแย่งลาบยศสันเสริญไปก่อวิวาทไปทําเพื่อพักเพื่อพวกเผื่อ น, นู่นนี่เราไม่มี เราทำการเมืองตามหลักสิบประการที่อาตมาพูดไปคร่าวๆแล้วเมื่อกี้นี้อไว้สักวันเอามาอธิบายอีกทีหนึง่งให้ชัดๆขึ้นอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาทีเดียวก็ครบตะไว้ก่อ น, นก็อาตมาเข้าใจการเมืองเป็นแบบนี้และอย่างนี้แหละคือประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองเลยเป็นไปเพื่อประชา เป็นไปเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อพรรคพวกไม่ได้เพื่อหมูเพื่อฝูไม่ได้เพื่อครอบครัวแม้แต่ตัวเองก็ไม่ได้เพื่อจะเอาอยัางไงอีกเอาเถอะอาตมา ก, ก็รู้ว่าเขาไม่เชื่อน้ําใจเราง่ายๆหรอกแต่เราพร้อมจะพิสูนกับอาตมาไหมเ<อ>บาจัางเลยอพร้อมที่จะไปพิสูน์่อาตมาไหม เอคอค่อยเคร่องชั่วหน่อยแมแสดงว่าไม่ได้เต็มใจตั้งใจไว้แต่เดิมวะเนี่ยพูดอีกทีนึงก็เลยคิดว่าเออตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเอาดังดังหน่อยอตอนหลังเลยดังหน่อย อ, อยถ้าเต็มใจตั้งใจไว้แต่เดิมมันคงจะเออแล้วละทีจะหาว่าลบหลู่น้ำใจมันอาจจะยังไม่ตื่นตัวไม่รู้ว่าจะถามมันนี่เลยไม่ได้ตั้งหลักพอตั้งหลักได้ก็เลยดังได้ถ้าถามอีกีดังวัน น, น, นี่นเนี่ย ทำอีกทีดังกว่านี้นะฮะอ้ะอาวอล่าอัตมาอธิบายคนเดียวใช้เวลาเข้าไปกินเวลาที่บรรยายคนเดียวเป็นหลายนาทีก็สรุปว่าตอนนี้เราก็จะไปทำงานร่วมช่วยในเรื่องของบ้านของเมืองไปทำงานการเมืองตามอุดมคติตามความเข้าใจตามทฤษฎีหลักของเราการเมืองคืออะไรการเมืองของเราจะไม่ใช่การเมืองอย่างที่เขาเป็นกันแน่นอน ที่คุณแหม่เบือ่อรังเกียร์ังอนอยู่นี่นะเราไม่แตะหรอกพอเราเกลียดยิ่งก็่ขี้การเมืองแบบนั้นนะเราก็ไม่เอาอัตมาก็าอธิบายต่างๆนานาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม อ, อัตมาบรรยายอยู่ที่ชีมาอโซอัตมาก็ว่าได้พูดถึงเรื่องการเมืองป ร, ประชาธิปไตยไว้ พอสมควรชัดเจนละเอียดพอสมควรสองชั่วโมงตั้งใจอธิบายไปนะขยายความไม่รู้ว่าการเมืองที่เป็นประจาธิปปใยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในลักษณะต่างๆในมุมต่างๆอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวอามาริรันอีกปรดีก็ริรันไปบ้างแล้วล่ะอามาริรันอีกก็ได้เดีนะ๋ยวปรุงนี้อามาริรันดูสักรอบเอาเวลานในที่ควรก็ามาริรันดูบ้างให้เห็นว่าการเมืองมันคืออะไรอย่างไรมันต้องชัดเจนแล้วก็ทํา ที่อาตมาเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆความเข้าใจของอาตมาเนี่ยหลายอย่างอาตมาก็ไม่ได้หลอกเรียนมาจากใครหรอกมันอาจจะขัดแย้งคนอื่นด้วยซ้ำไปและบางอย่างเขคงไม่มีใครพูดอย่างที่อาตมาพูดว่าการเมืองของอาตมาเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องประพฤติอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องทําอย่างนี้แม้ที่สุดในประเด็นว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่หนึ่งมันมีมันมีสองฝ่าย การเมืองประชาธิปไตยนี่นมีพระมหาร ก, รกษัตริย์ทรงเป็นประมุกเหมือนพ่อที่มีลูกสองคนคนหนึ่งชั่วทําผิดทําลายบ้านอยู่อีกคนหนึ่งดีบางคนดีก็ต้องช่วยที่จะทําให้ลูกอีกคนนึงอยากให้พ่อต้องมาเดือดร้อนเพราะพ่อนี่มันลูกทั้งคู่อ่ะพ่อนี่มันลูกทั้งคู่ก็มาทำอะไรไม่ได้เพราะลูกอีกข้างหนึ่งคือลูกดีก็ต้องช่วยจัดการ กำราบหรือปราบลูกชั่วช่วยพ่ออย่าให้พ่อต้องลาบากใจหรือว่าทําอะไรลงไปเพราะเป็นลูกทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราต้องยกไว้อันนี้พิเศษอันนี้พิเศษลักษณะอันนี้เป็นสากลเช่นเดียวกันกันกบประชาธิปไตยที่มีพระมหารกษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหารกษัตริย์ก็คงเป็นรัฐาธิปัตย์ของประเทศอยู่ดีซึ่งเป็นสากลอาตมา ก, ก็อ้างอิงหลักฐานแล้วว่า กฎหมายสากรสปรีมลอก็ยกอันนี้เป็นยอดแมด้แต่ในรัฐธรรมนูนมาอาตรมาก็อธิบายแล้วถ้ามันรัฐธรรมนูนมาตราสองมาตราสามก็ขยายความไม่เห็นชัดเจนแล้วว่าทําไมต้องประมุกกับประชาชนสุดท้ายโดยหลักเกณฑ์โดยประชาชนประชาชนก็เป็นเจ้าของอำนาจจึงที่ชื่อว่าประชาธิปไตยก็กฎหมาย รัฐธรรมนูญข้อสองมาตราสองก็ชัดเจนก็ตราไว้อย่างชัดเจนว่าอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมาตราสามก็พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านสามสถาบันอย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะนี้สถาบันสภาสถาบันบริหาร มันใช่ไม่ได้แล้วมันล้มลายล้มเหลวไปแล้วเรือสถาบันตุลาการก็ถูกคมถูกขีถูกกำราบถูกอะไรต่ออะไรหนักหนาสาหัสจนกระทั่งทำอะไรก็ยากนะอาตมาเคยพูดถึงเรื่องว่าสองอย่างที่จะต้องพึ่งคือตุลาการพิวัตรกับประชาพิวัตร Hey, ในรายการสงครามทังคมนี่หรเราดูมันแต่นั่นยังไม่ใช่สงครามทั้งคมจะเป็นรายการวิธีอารียธรรมหรืออะไรเนี่ยออกอากาศดนะูซึ่งอัตมาจําได้เพราะอัตมาคิดคํานี้นะตุลาการพิวัตรกับประชาริวัตรเนี่ยอัตมาคิดคือเราจะใช้ภาษาคํานี้ประชาริวัตรหรือประชานาพิวัตรมันมีคําว่าประชาชนไงประชาชนาพิวัตรเอาเอภิวัตมาสนทิ้งกับประชาชน หรือจะใช้ประชาพิวัติดีอาตมายังจําได้ว่าอาตมาเลือกสองคำนี้อยู่ว่าจะใช้คําว่าประชาพิวัติหรือประชานาพิวัติซึ่งจะมีสองอภิวัตคือต้องใช้ตุลาการพิวัติกับประชาพิวัติในกาเอาประเทศไปพูดอาตมาเป็นคนพูดเองคํำนี้และตอนนั้นก็ไปใช้ตุลาการพิวัติก็ช่วยไว้ได้น่ไล่นายกออกไปได้สองคนตุลาการพิวัติช่วยไป ตอนนี้ตุลาการก็เมามากในหลวงก็ทรงฝากไว้ไหลายทีแต่เส็จแล้วก็ถูกอํานาจที่อันตพานหรือมืดหรืออะไรพวกนี้มันเป็นจริงในสังคมมันมีอย่างนั้นก็เลยเหลือแต่ประชาชนมันต้องใช้ประชาชนถ้าประชาชนทั้งหลายไม่ออกมาให้มากๆแล้วไม่ต้องออกมาทำอะไรออกมานั่งหิดเต็มพื้นที่หมดเลยออกมานั่งให้เต็มพื้นที่หมดเลย ให้มากที่สุดที่มากได้จะอยู่ต่างจังหวัดก็ตามอาศัยหน่วยเข้าใจจะให้ได้สักทีแต่ว่าประชาธิที่ประยนั่นคือประชาชนตัวคนเป็นคนคนแต่ละคนนี่คือเจ้าของอำนาจคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งเสียงออกมาแสดงตัวออกมาแสดงประท้วงออกมาแสดงตัวตนออกมาแสดงให้เห็นว่าฉันไม่เอาอันนี้ฉันเอาอันนี้อันนี้ก็คือจะมาทวงว่าไม่เอาอันนี้แล้วก็ออกมาท้วงว่าเราไม่เอาน่ากฎหมาย น, นี้ เข้าสภาแล้วก็จะต้องผ่านสภาออกมาเราไม่เอานะออกมายืนยันกันเท่านี้เลยร่วมกันเท่านี้ก่อนอันจะมาออกมาล้านสองล้านคนนี่รับรองว่าได้ทันทีเลยตอนเนี้ไม่ต้องไปถึงกับสิบห้าล้านเสียงที่ไปลงคะแนนเสียงไม่ต้องเอาสดๆนี่ลองพิสูน์ดูสิอันจะมาอยากรู้ความจริงของพุทธิทธภาพของมนุษยชาติบทบาทพุทิภาพของสังคมดูเนี่ย เพราะฉนั้นใครที่ยงเป็นไทยเฉยยังก็ไม่เดือดไม่ร้อนอะไรเนี่ยตื่นตัวลงดูตะเผอว่าถึงเวลาอาตมาก็ไม่รู้นะใครจะนำใครจะทําอะไรขึ้นมาแต่ก็น่าจะมีคงไม่ต้องหยุดคงไม่หยุดหรอกมันคงจะเป็นไปอีกก็ค่อยไปแล้วก็ร่วมมือร่วมม้กันไปเรื่อยๆนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อโศกรู้ตัวว่าตอนนี้ก็เราก็ออกมาช่วยกันอพราั้นเราอาโศกเรามีไม่มากเราก็บอกแล้วเราไม่เคยปิดบังอสศเรามีไม่กี่คนอกแต่อโศก็เราเป็นปึกแผ่น อสุขขอเรามีคุณธรรมสารณียะพิยกรณ์ครุกรณ์สังคหะอวิวาทะสามัคคีญาเอกีภาวะมันจึงเป็นดูเหมือนเป็นปึกแผ่นเหมือนก็มันแน่นมันหนามันอะไรอะไรที่จึงไม่เงินทองก็ไม่ได้มีมากมายจนด้วยเป็นคนจนอยู่ในฐานะจนคนก็ยังไม่มากอะไรนักแต่มันแน่นมันเป็นหนึ่งเดียวมันทําแล้วมันเป็นสามัคคีญามันเป็นเอกีภาวะตรงตามคาสอนพระเจ้าทุกอย่างเลยแล้วเราก็ทํางานสังหะ ไม่วิวาดกันอย่างที่เป็ น, นแล้วเราก็ไม่ไปรกรกวิวาดกับใครอย่างแท้จริงแล้วเราก็เคารพครุกรณะเราก็สดแสดงความรักรักเพื่อนมนุษยชาติทั้งสิ้นที่ทำนี้ก็มีสารณีย ะ, ะระลึกถึงมวลประชาชนไม่ใช่ไปทิ้งกันไม่ใช่แค่จะเป็นจะตายฉันหัวใครเล็ดติดบีไม่ใช่เราไม่มีความคิดแบบนี้เราเระลึกถึงแล้วเราออกไปทาเพราะฉะนั้นคุณนักกฎหมายเห็นว่าเราไม่ ไม่ถูกทําไม่ถูกก็ไม่เป็นไรกไ็เห็นต่างเพราะศาสนาของคุณก็พระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นคุณเข้าใจพระเจ้าสอนแบบนั้นก็เป็นความเข้าใจของคุณแต่ตมาเข้าใจว่าพระเจ้าสอนแบบนี้เราให้ทํางานก็ให้ประชาชนช่วยกันโดยมีความตั้งใจที่ดีอย่างนี้แล้วก็ทํากันไปน ะ, อะเอาละเอาแค่นั้นก่อดสําหรับวันนี้ที่อาจาตมาบอกกล่าวกันให้รู้ว่าเราทําอะไรแค่ไหนแล้วก็อธิบายเรื่องการเมืองเสริมให้มีรายละเอียดพอสมควร วันนี้สภาก็มีมติรับหลักการวาระหนึ่งอามันจะมีทั้งสามวาระพระราชบัญญัติเดโทษกรรมสามร้อยเสียงต่อร2อยิบสี่เสียงอ่าต้อนกันมาที่การสามสิบห้าคนไปแล้วแปลยะติภายในเจ็ดวันอ่าก็คาดว่ารัฐบาลจะเร่งผ่านวาระสามภายในสิ้นเดือนนี้โอ้จะออกกันในสิ็นเดือนนี้แล้วเร็วกว่าที่คาดมากเขาต้องเร่งเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าอา่เขาต้องอา่า คือมาเขาก็ต้องเอาเร็วๆว่ะมันช้าไม่ได้หรอกเขาก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องรีบร้อนทำไมรีบร้อนไม่ได้อะไรนี่มันก็เป็นธรรมด า, าเราก็ทํากันไปเพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกั น, นถ้าเห็นว่าอาันใดควรไม่ได้ควรก็ไม่ได้ไปบังคับใครหรอกนะใครเห็นด้วยเห็นดีก็มาด้วยกันใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีแน่นอนก็เป็นธรรมดาคุณก็ทําอย่างที่คุณคิดคุณทําก็ทํากันไปมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ชาติโดยเฉพาะยึดประชาธิปไตยมันก็ต้องมีค้านกันอยู่งี่แหละ เห็นต่างกันเป็นอิสระเสรีภาพนะมันจะไปเห็นตรงกันเหมือนกันหมดไม่มีหรอกนะมันก็ต้องขัดแย้งกันนะพอเหมาะเรียกว่าสามัคคีนะอ่ะทีนี้ตอบประเด็นละอ่ะบอกประเด็นบอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะส่งประเด็นมาอีกทีนึงกันแล้วกันเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งมาส่งประเด็นเข้ามาก็คือแปดโอเคศูนย์ศปดปด 5 8 5 9 1 1หกนึ่งหนึ่งกับ0885859118หอ่าสองหมายเลขเอาซ้ำอีกทีหนึ่ง0885859117กับ0 88, 5, 8 8 ห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะอ้าอวอละอ้าวทีนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องที่เราจะได้พูดกันสำหรับประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นมาสำหรับผู้ยังไม่ส่งก็จะส่งมากเ็เชิญณบัตรนี้ส่งมาได้เลยเรื่อยๆ เ, เจ้าที่หนึ่ง <c oughs> นี่มีไม่กี่เจ้าจริงๆสองสามเจ้าเองนะแต่มาต้องอธิบายยาวๆ ย, ยืดๆได้ เ จ, เจ้ามันน้อยนอยเจ้าถ้าหลายเจ้าก็ต้องส่งต้องอธิบายชั ด, ชดสั้อเจ้าที่หนึ่งคนศีลแปดสันติอ๋อคนศีลแปดสันติเองถามมาถามว่ากรณีคนกินมือเดียวควรจะไม่ให้เกินกี่โมงคนกินมือเดียวกรณีคนกินมือเดียวควรจะไม่ให้เกินกี่โมงหากเขาไปกินตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มจะถือว่าเป็นการรักษาศีล รักษาสีลกินมือเดียวคือไม่อ่าในคําสอนพระพุทธเจ้านี่นะท่านก็ไม่ได้เคยกําหนดเวลาหรอกนะแต่ประเมินอาตมา ก, ก็ไม่เห็นหลักฐานนะว่าท่านไม่ให้กินเกินเที่ยงไม่เห็นไม่เคยเห็นแต่ก็ถือกันจางตอนไหนไปกําหนดกันเมื่อไหร่อาตมาไม่เคยเห็นหลักฐานถ้าใครเห็นหลักฐานจะเอามาให้ดูบ้างไม่เห็นว่าท่านกําหนดไม่เกินเที่ยงก็ไม่เคยเห็น สมัยโบราณนั้นะบินถบาตเย็นยังมีเลยสมัยพระเจ้าบินถบาดเย็นกับบินินตอนนี้นก็ บ, บินกินตอนนี้นก็กินเพราะท่านกาหนดอย่างเดียวเทว่าในที่นั่งแห่งเดียวท่านจะสํานวนว่า ง, งั้นชั้นในที่นั่งแห่งเดียวและไม่เคยมีด้วยนะว่าให้ฉันสองมือหรือสองสองทีง่นั่งสองแห่งก็ไม่มีหลักฐานอ่าในจุลศีลนี่ก็มีชัดเจนจุลศีลนี่คือธรรมนูญของศาสนาพุทธ เป็นหลักเกณฑ์ของศาสนาพุทธที่ท่านใช้สร้างศาสนามาเลยนี่คือศีลศาสนาก็มีศีลสมาธิปัญญาเพราะท่านสร้างศาสนาด้วยศีลมีหลักเกณฑ์มีหลักธรรมอย่างของคริส ก, ก็มี ten, ten commandments ใช่ไหมเขาก็มีหลักสิบประการหลักบัญญัติสิบประการแต่ของพุทธนี่มีนี่แหละ จุลศีลยี่สบหกมีมัชฌิมศีลอีกสิบ ม, มีมหาศีลอีกหกมิเจ็ดมหศีลอีกเจ็ดอะไรนี่เจ็ดข้อนี่เลยเป็นธรรมนูญที่พระเจ้าท่านปราขึ้นแล้วก็ น, นําไปเป็นหลกกนักเกณฑ์เป็นธรรมนูนท่านว่าไปที่ไหนๆ ๆ, ๆๆไปรัฐไหนๆรัฐไหนถ้าคุณมาอยู่ในนี่เป็นสัญชาติที่มีธรรมนูญนี้ขึ้นกับธรรมนูญหรือขึ้อีกขั้ขหลักเกณฑ์นี้ มาเข้ารีบอันนี้คนเหล่านั้นมาเป็นคนของพระพุทธเจ้าได้หมดเลยพระพุทธเจ้าท่านได้คนจากแคว้นต่างๆรัฐต่างๆไปแคว้นนั้นแคว้นนี้แคว้นนนนแคว้นนี้เป็นรัฐอิสระไปกับอย่างเนี้ยประกาศไปไม่ได้ปิดบังเลย เปิดเผยไปแล้วจุลศีลนี่ก็บอกชัดเจนและต่อต่อมาก็มีมือเดียวไม่เคยเห็นมีที่ไหนบอกให้กินสองมือมีแต่บอกว่านั่งฉันในที่แห่งเดียวในที่สองแห่งก็ไม่เคยมีแม้ในหลักเกณฑ์ของศีลสิบศีลแปดศีลแปดวิการะโภชนาก็ไม่ได้บอกว่าว่าวิการะโภชนาก็คือให้ฉันมือเดียวก็ไม่ได้ว่างงินเขาก็เลยฉันกันสองมือกันวิการะโภชนา นะกําหนดครั้งวิกาละในกาละที่กนนําหนดอาจจะเวลาด้วยอาจจะครั้งด้วยนะเป็นครั้งก็ได้ษทานทานมันคือครั้งหรือเวลาครั้งก็ได้วันละหนึ่งครั้งมันจะเย็ น, จ ะ, นจะเช้าจะอะไรจะอะไรก็ได้แต่มันไม่ควรกินเย็นนะมันไม่ควรกินเย็นเพราะเย็นไม่ถูกสุขภาพถ้าอาหารมือเย็นมันผิดสุขภาพ นี่เป็นเรื่องที่สุขภาพเสียกันเยอะน ะ, ะเพราะนั้นถ้าฉันเรื่องว่าทานแลต้ตอนเช้าบางวั น, นะอะด้รยใจชันตอนเช้าด้วยทังวันก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องฉันแต่มื้อเดียวนี่ท่านบอกได้อานิสงส์ในการรับประทานมื้อเดียวมีอานิสงส์ห้าประการ่ะ หนึ่งอปาพาตังสองอปาตัางกัางสามระหุทาตุนังสี่พลังห้าพระสูริหารังนี่เป็นคำสอนชัดๆเลยบอกว่าถ้ากินมื้อเดียวนี่แหละรับประทานมื้อเดียวนี่จะมีคุณสมบัติถึงห้าไม่ค่อยป่วยอภพาต้อยไม่เจ็บป่วยอปาพาตังอปาตัางกังท่านไปแปลเป็นไทยว่าไม่บกพร่องนอกจากไม่ป่วยแล้วก็คือ มันไม่มีอะไรเสียสูญเสียมันไม่มีอะไรที่จะไม่บกพร่องก็คือไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรที่จะถ้ามากินมือเดียวแล้วโอ้ยมันจะไม่มีกำลังข้อสี่พลังกินมือเดียวนี่พลังไอ้กินหลายมือนี่หมดพลังยิ่งหลายมือยิ่งพลังหมดเพราะฉะนั้นมันกลับกันกับความเข้าใจของคนเลยนะ เพราะมันไม่บกพร่องแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายแม้กระทั่งทางอะไรต่างๆในนาชัดๆก็คือกินมือเดียวมันไม่มันไม่ต้องพร่องเงินมากกออ็ไม่ใช่มันต้องไม่เปลืองเงินมากมันไม่บกพร่องนงัคือมันไม่เปลืองเงินมากอะไรก็ได้ไม่เสียเวลามากไม่เปลืองมากไม่พลาญมากอะไรเนี่ยอข้อที่สามต้อหุด ท, ท่านางเบาสบายกระปี่กระเป๋าเบากายเบาใจแล้วหุด ท, ท่านางข้อที่สี่ มีพลังพลังพลังมีกําลังบังชาติจะใช้ว่าชาวโสมนี้มากินมื้อเดียวก็ทํางานทั้งวันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่พวกเราทําปกันไปแล้วจิตปัญญาณเป็นตัวโง่เป็นตัวคิดว่าโอ้ยเราจะไม่มีกําลังเราจะไม่อะไรจิตแท้ๆไม่มีอะไรอื่นรอกถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ทํำจริงๆมันไม้เป็นไม่เป็นนะ คนเราเนี่ยนะกินอาหารวันละมื้อนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วหลายสัตว์หลายชนิดมันกินกว่ามันจะต้องไปกินอีกทีหนึ่งมันต้องเป็นอาทิตย์ก็มีบางสัตว์เป็นเดือนก็จะกินอีกทีหนึ่งสัตว์บางอย่างบางชนิดเป็นเดือนก็กินอีกทีบางอย่างก็หลายวันบางล่างก็เป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเรื่องธรรมดาเลยคนนี่กินวันละมื้อนี่ก็หนักแล้วนะ กิวันละหนึ่งพระพุทธเจ้าจะจะมาให้คนทรมานไปทําอะไรนะเอาทีนี้จะตอบอยังไงถ้าพรกว่าคุณเป็นคารวาสคุณเอาตามเหมาะแต่ว่ามันถึงสุขภาพถ้าสุขภาพกินเย็นมันไม่ ค, ควรไปกินทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็นอนเลยอื่นเลยมั น, ม, นมันไม่ถูกสุขลักษณะเลยนะมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นรักษาศีนกินมือเดียว ก, กินมือเดียวก็ดีแล้วตั้งใจเป็นการกําหนดให้แต่ละตัวเองก็รักษาศีมือเดียวกิกนมือเดียว เพราะเราจะกินกิบลุกที่นั่งแห่งเดียวที่นั่งแห่งเดียวหมายความว่างไงก็เรานั่งกินตรงนี้แหละจะไปกินจุบกินจิบจะไปกินอะไรอีกกินแล้วปากสะอาดเลยอย่างอตาตมา น, นี่นะฟันดีไม่มีอะไรเลยอายุแปดสิบแล้วฟันยังว่าเป้งเลยนะอยา่างมีฟันที่ถอดประสาทอยู่ซี่หนึ่งมาสามสิบกฟีสี่สิบกฟีแล้วอถอดประสาทเทรว่ามัน มันเสียวแล้วก็เลยหมอเลยบอกเอ๊ะไม่ดีแล้วต้องถอดประสาทดีก่บก็ได้ถอดถอดประสาทออกฉะนั้นแหละ น, นี่ก็ฟันจริงเป็นตอแล้วก็ไม่ได้ไปกินอะไรหนักหนาไม่ได้ไปกัดอะไรแท่นี่กินกินจอกกินเสียมาแล้วก็ไม่ได้กินอนะ่ะมันก็เลยคงทนมันก็เลยอยู่ดีนะมันก็อยู่ดีเจ้าตานี้มันไม่มีอะไรคือกินก็ธรรมดาแล้วไม่ได้ไปแทะไปกัดไปอะไรอะไรเนื้อเนื้อไอกระดูกกระแดกอะไรก็ไม่ได้ไปแทะไ ป, ไปอะไร ก็กินพืช ก, กินปลานึงมันส่วนมากก็ใช้กลามเพราะฉะนั้นฟันพวกนี้ก็ไม่ได้อันเนี้มากมากก็เลยไม่มีปัญหาอะไรฟันยังดีนะพราะฉะนั้นผู้ใดอาตมานี้ฟันดีจนกระทั่งหมอสงสัยหมอที่ทําวันเป็นทำฟันให้อาตมาประจํานะตอนนั้นมอหานรงหนะมอหานรงทำอาตมาตั้งแต่ อ, อตั้งแต่อยู่ที่เอทันตแพทย์ จิมหลาลัยชันตาแพทย์อันนี้ภาพอาตมาแหมแสดงพลังนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้มันมันมั น, มนรูปร่างมันเหี่ยวกันนี้มากแล้วตอนนี้ยิ่งเหี่ยวเพราะว่าตอนนี้ใช้พลังทํางานอะไรเยอะกว่าเก่ามากมันก็เลยเวลาพักเวลาผ่อนเวลาอะไรมันก็ไม่สมดุลเท่าไหร่นะคนดูแลเขายิ่งบ้าบ้าบ้ า, บ, า, บ, าบ้าอยู่เรนี้อาตมากา็อา้าวก็ผัดผัดผ่อนอนไปพอสมนาว่า เขาถามว่าฟันนี่อาจามามีความมีมีมีมีอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะมีเคล็ดลับเอ่อมีเคล็ดลับอะไรนะหมอโอ้โหเป็นหมอหมอฮานาลงนี่เป็นหมอฟันในหลวงนะไม่ใช่หมอธรรมดาอ่าก็ถามว่าคือหมอที่ผ่าลูกศิษย์หมอหานาลงนี่คือหมอฟารักหมอฟารักเนี่ยเป็นคนนำพาอาจารมาไปทํายู่ประจํา แต่เป็นคนเชื่อมโยงอยงู่มอหานายหลงก็เลยถามหมอปรังนี่ถามพ่อท่านน่ะสิว่ามีเคล็ดลับอะไรนี่ฟันสะอาดมาให้มาดูมาทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีไอมันไม่มี e อ c r e m e n ิมนอะอามันมีทาท่าทาท่าขออะไป e อ c r e m e n ิมันคืออุจจาะดยทรงภาษอักภาษาอังกฤ ษ, ากฤษทาท่าก็คือที่ฟัน อ่ามันไม่มีคือที่จริงคือพรากอนะทากมันไม่มีพราไม่มีขี้ฟันเลยเพราะนั้นเวลาจะกรอจะล้างอะไรฟันมันก็ไม่มีอะไรมากมายอ ก, อก็มองว่ามีอัตามา ม, มีเคล็ดลับอะไรอัตามามก็เลยตอบห ม, หมดอยากหรออัตมามตอบสบายเลยไม่เป็นเคล็ดลับอะไรเปิดเผยเคล็ดเปิดเผยไม่ใช่เคล็ดลับเคล็ดเปิ ด, ดเผยออัอตามามกินมื้อเดียวไงกินแล้วไม่กินอะไรเล่น ไม่กินอะไรจุบจิบไม่กินอะไรที่เอาจะไปติดขี้ฟันนี่ให้ไม่เป็นขี้ฟันนี่กินเสร็จสีฟันครั้งเดียวด้วยอาตมาไม่ได้เคยสีฟันสองครั้งเลยตื่นเช้ามาต้องสีฟันแล้วก็กินอะไรต้องสีอีกทีหนึงอะไรเปล่าเลยถ้ากินมืดหนึ่งก็ต้องหลังกินก็ต้องสีฟันจากสีฟันเสร็จแล้วก็ก่อนนอนก็สีฟันไม่ได้สีก่อนนอนก็ไม่สีตื่นนอนก็ไม่สีอาตมาสีฟันมาละหนึเงไอเปิดเผยแคดสว่างไม่ใช่แคปลับ พอถ้ามาไม่กินจุกินจิบอะไรกินข้าวกินอะไรจะกินอะไรนั่งที่นั่งแห่งเดียวก็หมายความว่านั่งคุณจะกินอะไรของกินในมือนี้ของหวานของเปรี้ยวผลไม้ร่างไม้อะไรคุณจะกินมือนี้กินเข้าไปให้เต็มที่อย่าให้ท้องแตกอะไรกันอย่ากินเกินควรกินพอดีพอดีพอกินแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จก็ซี่ฟันซี่ฟันเสร็จก็เรียบร้อยดื่มน้ําธรรมดา ก็ดื่มน้ําน้ามันก็มีแต่รากที่ฟันล่างอะไรแต่อะไรแล้วมันจะเป็นเคล็ดลับอะไรละมันเคล็ดสว่างมันก็จะไม่มีอะไรก็เท่านั้นเองหมอไปดูตรวจสอบหมอฟันก็ไม่ใช่หมอดูหมอตรวจสอบหมอหมอดูแล้วก็เออมันก็ไม่มีอะไรทําเป็นโชว์ฟันเอฟันอัตมาไม่ก็สวยหรอกนฟันมันก็สวยหรอกเดี๋ยวนี้ยิ่งเจแล้วเพราะมันอายุมากขึ้นแล้วมันก็เลยไมันก็จะล่องกด มากขึ้นร่องก็ห่างและอะไรก็อันนี้เป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นก็เป็นไ ป, นปนบ้างแต่ก็ยังพอเป็นได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้มันมากนี่ก็คือเคล็ดลับหรือเทล็ดสวรรค์นพ่ผลงานที่เขาพูดที่กินมือเดียวเนี่ยมันดีทุกอย่างอย่างที่ท่านว่าและพ้าสุขวิหารังข้อที่ห้าข้อที่สี่มีพลังอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คานแย้งกับความเข้าใจของคนอะฝึกดีๆแล้วดีมันก็ไม่ คนเรากินเท่าวันหนึ่งมือเดียวนึ่กันเรื่องละจริงๆในพวกเราก็พิสูจน์กันแล้วนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยใครกินมือเดียวมาเกินสามสิบปียกมือทีใครบ้างอนักบวชเกินท่านสิบปีนักบวช ด, <c oughs> ด, ด้วยคารวะโอ้ไม่มีเลยเหรอใครยี่สิบปีเกินยี่สิบปีอ่ายี่สิบปีอ๋อเยอะเหมือนกันยี่สิบกว่าปีแล้วกินมือเดียวมายี่สิบกว่าปี ใครเลยสิบกระปีกินมือเดียวมาเลยสิบกระปีแล้วเอ๊ะทำไมก็ไม่เคยมีมากเลยทำไมไมื่กกินมือเดียวไม่เคยสิบกระปีทุกวันนี้ก็ยังกินลายมืออยู่เถอ ะ, อะจับได้แล้วบาด ท, ท้ทุกวันนี้ก็ยังล่อลายมืออยู่แมเ้เราก็นึกว่าจะกินมือเดียวกันเยอะในที่นี้อ้าไม่เป็นไรน ะ, นะเพราะงั้นจะไปถามอีก ค่าปีมันก็ไม่ได้จริงๆเพราะมันยังไม่ได้กินมือเดียวมันกินหลายมืออยู่มันก็จะกินบอกค่าปีสองปีมันก็ยังไม่ได้เพราะจะกินสองมืออยู่เนา ะ, นะอ่าอ่าไม่ถางต่อมันจะท้างสามมือไม่ต้องเอาอเอาแค่นั้น เ, เอานี้ก็ดังเออสองมือหรือไม่ก็ไม่ต้องกินหลายมือหรอกน้อยมือก็ยิ่งดีมันใครได้กับมือเดียวเป็นเป็นสวยแล้วนะตามพระพุทธเจ้าตามพระอรหันต่างๆนะอ่าจะมาบอกแล้วนะ ตอบไปแล้วว่าจะกินตอนไหนมือเดียวตอนไหนตอนข ต, ต, ตอนอะไรยิ่งเป็นคารวาก็ไม่มีปัญหาอะไรจากเจรังโอ้เจรังว่าไงเขาเรียนถามว่าเจรังจะขอไปร่วมทําอาหารมังสระแจกที่สวนลุมได้ไหมคะใครจะไปห้ามแล้วคุณจะไปช่วยกันนะคุณก็ไปแจกคุณก็ตั้งเขาสิหาที่หาทางเขาก็าทางว่าคุณเคยไปทําอยู่แล้วอ่าอ่า ก็ไม right> ่รู้ว่ามีอะไรอัตมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะอัตมาไม่รู้นะว่ามันมีอะไรที่ไม่ให้ไปจะไปอะไรกันก็เจริญมีเรื่องอะไรกันล่ะมีเรื่องอะไรอัตมาก็ไม่รู้อัตมาก็ตอบไปกลางๆเนี้ยนะก็ว่ากันไปคนจะมาช่วยอะไรกันก็รู้ว่าอะไรมันไม่ดีอะไรอย่าไปที่มันขัดแย้งกันก็อย่าไปทําซิก็ทํามาทําเรื่องอาหารก็ทําไปอะไรมาขัดแย้งก็อย่าไปทําก็จะปวดใจเองไม่มีปัญหาอะไรต่อมาสุราชธานี กฎหมายนิรโทษกรรมจะออกมาในรูปแบบใดครับจะออกมาในรูปแบบไรครับแมคุณถามนี่ถา ม, ม, มเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะพูดว่าคุณถามอะไรกฎหมายนิรโทษกรรมจะออกมาในรูปแบบใดครับถ้าสมมุติว่าออกมาช่วยคนผิดผิดและนักโทษที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเขาจะปล่อยไหมถ้าไม่ปล่อยเหมือนกันบ้านเมืองกะลียุคแน่ เออกฎหมายนี่ออกมาแล้วก็ น, นิรโทษคนเอจํานวนหนึ่งอีกคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกน อ, อ่ไม่ได้รับนิรโทษศึกรรมเนี่ยอ่ามันมันก็จะเขาก็จะอะไรไหมทําไมอ่ะนักโทษ อ, อันนี้มันจะนละโทษศกรรมคนเฉพาะคนนี้คนอื่นๆที่บางทีมันเมามันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยทาไมไม่นิรโทษให้เขาเอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ย คือจริงๆแล้วกฎหมายนิรโทษศกรรมนี่มันเป็นเรื่องที่นอกจากเขาปฏิวัติแล้วเขาจะออกกฎหมายช่วยเขาเองก็เรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องรักษาตัวเองทําไปแล้วมันก็ต้องล้างผิดให้กับตัวเอง ค, คล้ายๆกันนะมันก็ไม่เคยจะตรงสัจธรรมนะไม่เป็นนิติรัฐนิติธรรมเท่าไรแต่นี่ก็ชั้นเดียวกันมันไม่ใช่นิติรัฐนิติธรรมออกกฎหมายมาล้างผิดนี้กับตัวเองเนี่ยนะมันไม่ใช่นิติรัฐนิติธรรมทีนี้ตอบว่ากฎหมายนี้ลรรมจะออกมาในรูปแบบใดครับ แม่คุณถามพิดเป่าเลยจริงๆมาถาม่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะฮะจะไปตอบอะไร ไ, ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเอาออกจดหมายนี่มันล้างเฉพาะที่เขาเองเขาพวกของเขานะ่ะแต่ทีนี้ก็คนที่มาทำก็เลยพลอยได้ไปด้วยแต่เป้าหมายหลักของเขาก็คือ จะลางจะเพราะผู้ที่มันทํางานผิดในเรื่องของการเมืองผิดในเรื่องการเมือง่ผู้ที่มาทําการเมืองในเขามีด้วยนะว่ากําหนดเมื่อนั่นจากเมื่อนั่นถึงเมื่อนี้อันนั้นอันนี้คือออกกฎหมายเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นผิดนั่นแหละสรุปแล้วหรือพวกของตนเองพ้นผิดนั่นแหละทีนี้มันไปกินคนอื่นก็แล้วเอาเอาันนั้นมาอ้างแก้เก้อ ตีขุ่มต่อไปอีกด้วยว่านี่ไงคนอื่นก็พลอยได้ไปด้วยนี่นก็ได้ใช่ไมถึงเขก็ตั้งใจที่จะให้มันปลอดภัยกันหมดทุกคนน่ะนก็แก้เกอร์ไปงี้อ่าทางด้านคุณจำลองทางด้านอะไรทางด้านคุณสนที่ก็บอกว่าไม่ต้องมาออกให้ผมอ่าผมยินดีจะสู้ด้วยสัตรธรรมตามนิติรัฐนิติธรรมออกมาตัวเองผิดแท้ๆถ้าไม่ผิดจะออกกฎหมายนี่มาแก้ให้ตัวเองทําไมนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ใช่ไหมถ้ามันผิดอคุณก็ถึงตรงแก่ตรงตจงแก่ถ้าถูกคุณก็สู้สิมาถ้าถูกก็สู้สิอะอะไรต่างๆนานาหาเรื่องไปหมดสู้ก็บอกว่าตุลาการสองมาตรฐานพอตัดสินตัวเองถูกเออ ด, ดีตัดสินตัวเองผิดไม่ดีไม่ถูกสองมาตรฐานเอ่เ อ, อจะเอาอยัางไงวะ เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โหโ ห, โหยากนะก็อตาตมาว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันขัดแย้งกับสัจธรรมนะมันไม่ปไปเพื่อสัจธรรมไม่ถูกเรื่องนะแต่มันเป็นอำนาจเผด็จการอำนาจหมู่อำนาจเผด็จการทางสภาอำนาจที่เขาได้อันเนี้ยมันเป็นมัดสําคัญก็คือ อำนาจไปในการทางสภานี้มันถึงเลวร้ายอยู่ขณะนี้อัตมาตอบไม่ได้หลือ ว, ว่ามันจะออกมาในรูปไหนอัตมาก็เลยต้องใช่สูตรดูใบโอ้ขออภัยดูไปแมไม่ต้องดูใบไม่ต้องดูดูไปดูไปอัตมาใช่สูตรดูไปแมขออภัยพืชผิดใช่สูตรดูไปเวทแอนซีเวทแอนซีดูไปดูไปเรื่อย ไม่ต้องไปใช้เลยสูตรดูไปไม่ต้องใช้ใครใช้สูตรดูไปแย่นะอาตอมาคอยยืนยันใช้สูตรดูไปดูไปน้าอะต่อมาคนแจกอาหารของกองทัพธรรมเมื่อวานนี้ในวันที่เจสิงหาคมหน้างาไม่รับแขกซึ่งไม่น่าเคารพศรัทธา เหมือนเมื่อก่อ น, นซึ่งไม่น่าเคารพศราทธาเหมือนเมื่อก่อนไม่ทราบว่าเป็นใครคนใหม่หรือเปล่าจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะดีมากให้ข้อมูลมาใครไปตรวจสอบซิเอาหลักฐานมาดูหน้าใครงองอจะได้เอามายืดใหม่หน้างองอมาจับยืดจะให้ต้องใครนะอ่านะ นอกจากหน้างอแล้วไม่รับแขกอีกเอ๊ไม่รับแขกก็เอาต้องให้เขาด้วยนะเป็นไทยเป็นแขกเป็นฝรั่งก็ให้เ้าหมดแขกก็ไม่รับอีกว่าเราไม่จํากัดเชื้อชาติหรอกนะไทยฝรั่งแขกเราต้องรับหมดที่ไม่รับได้ไงแขกนะอนะนะนะก็อาตมาก็พูดไปให้มันสนุกสนุกบ้างอนะ่นะอ่าก็ทําดีๆนะอะไรกันต้องปฏิสันถานต้อง พวกเรานี่นะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะแจกจเรียกว่าจ ะ, จะช่วยเอื้อเฟื้อเจอจานอาหารเนี่ยอนน้อมทําตนเรายกมือไหว้ก่อนหรือซ้ําไปอเราให้เข้าเราชกยกมือไหว้ก่อนก่อนผู้มารับหรือซ้ําไปจนกระทั่งหลายคนก็แม่รับไหว้ไม่ทันอก็มนะีเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราทํากันโดยเจตนาว่าเราเองเราไม่ได้มา นั่งเอาดิบเอาดีว่าเอาแหม้เนี่ยฉันเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณนะฉันมาแจก ค, คุณคุณต้องเคารพฉันหนานไม่เลยเราถือว่าเราเกือ้อกูลกันนะได้แต่ทำสิ่งที่ดีๆงามงามเงินด้วยซ้ำไปนะอ้าวอาตมาตอบได้แค่นั้นนะต่างเด็กหญิงอธิฐานปอสีบุรีรัมเนี่ยเย็าเพชรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมชื่ออธิฐานใช่ไหมใ ช, ใช่ไหม เพชรได้บะกอศรีบุรีรัมลูกปู่ข้าหนูเกิดมาเป็นผู้หญิงอหากอยากเกิดเป็นผู้ชายในชาติหน้าหนูต้องทํำยังไงคะนั่นแน่เออดีอทำมาก็ดีนะเด็กๆเขาอยากเกิดเป็นผู้ชายอยากเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องสร้างให้เกิดปุริสภาวะนอาจจะยากหน่อยสําหรับประเด็นเด็กจริงเพชรคงใช่นะเด็กหญิงเพชรนะ ถ้าอยากเป็นผู้ชายก็ต้องสร้างให้ได้นี่เป็นคำตอบที่เป็นหลักวิชาเลยนะต้องสร้างปุริสภาวะเพราะงั้นคุณจะต้องเข้าใจในภาวะรูปภาวะรูปที่เป็นอิทธีภาวะกับปุริสภาวะหรือเป็นอิทธินสีกับปุริสินสีเนี่ยน่จะต้องเข้าใจอาการตรงนี้ลักษณะอาการของความเป็นผู้หญิง เป็นผู้ชายท่านเรียกว่าเพศต่างกันนี่เรียกว่าเพศลิงคะเพศผู้เพศเมียหรือเพศชายเพศหญิงนะเพศแม่เพศพ่อความว่าเพศแม่เพศพ่อนี่มีอยู่ในทิฏฐิสิบทิฏฐิสิบข้อที่เจ็ดที่แปดแม่มาตาพ่ออิตาอิตาแม่มันเป็นเรื่องของอิทธิภาวะ พ่อเป็นเรื่องของปุริสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าทิฏฐิหรือค ว, วามเข้าใจถึงเรื่องภาวะรูปอิทินสีกับปุริสินสีเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ได้นี่นะว่าสภาวะอาการพวกนี้เนี่ยมันคืออย่างไรมันเป็นนามธรรมามันไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมานะรูปธรรมก็มีนัาเป็นอาการเคลื่อนไหวเป็นอาการวินญจฉั วิญญาตรูปน่นเป็นอาการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราก็ดูได้จากอาการเคลื่อนไหวจากกายวิญญัติจากวจีวิญญาตเช่นผู้หญิงนี่ก็พูดลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้มันพูดอย่างผู้หญิงอ่ะใช่ไหมฟังออกนีลาอ่า้วผู้ชายไป็นดจริทพูดอย่างผู้หญิงนี่เขาเรียกว่ากระเทยชาก อ, อะไรเงี้ย กายยวิน ญ, ญาติก็คืออาการที่แสดงออกให้อ่านรู้ได้เป็นอง์รวมกายยวิญญาติองค์ประชุมของอาการต่างๆลักษณะที่แสดงออกรวมและก็ดูนามมาทํำก็ไม่ได้ดูที่รูปเท่านั้นแม้แต่จะเป็นคําพูดลีลาภาษาหรือบรายายกรรมวริีกรรมรวมกันแล้วเป็นองรวมออ่ก็ดูได้นะเป็นกรรมกริยาเรีออยกวิญญาณิน่ะกรรมกริยาที่เป็นอ่ะ อาการรูปนะเป็นวิญญัตเนี่ยเป็นอาการรูปทางกายกายวิญญัตวจีวิญญัตอะไรนี้เป็นต้นในอุดปาทายรูปยีสีเนี่ยท่านอธิบายไ้หมดนะเพราะฉะนั้นในลักษณะอิทธิภาวะหรือปุริสภาวะเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าคุณธรรมของเราทำได้มันไม่จำเป็นมันมันยากที่จะอธิบายเข้าใจอย่างชัดสรุปง่ายๆว่าปุริสภาวะคือสภาวะหรือภาวะภาว ะ, ภาวะรูปเนี่ย ภาวะที่เป็นสภาวะที่มันสําเบ็ดสภาวะที่จบสภาวะที่ไม่ติงตงต้งต่องติ้งต่องไม่ปริเทวนาการไม่ไม่รู้แล้วไม่รู้จบอกระบิดกระบวนรลีลาอะไรจุกจิกจูกจก้จี่ลีลายุดย่าอุปปายาศยังต้องแต่งคัดแง้งยังมีปริเทวะอะไรพวกนี้อยู่เหมือน ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไม่รู้แล้วนั่นคือลักษณะที่ยังไม่จบยังไม่ถึงที่สุดพวามจึงต้องลักษณะยังอ้นกระบิดกระบวนอย่างนู่นอย่างนี้อยู่นี่คืออิทธิภาวะอาตมา ก, ก็อธิบายได้ยากยากได้พอสมควรก็อเอาพอเข้าใจสรุปแล้วปริสภาวะเป็นสภาวะที่จบสมบูรณ์แต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามันยังเปลี่ยนแปลงอยู่ยังกระดุกกระดิกอยู่ ยังเป็นิธิภาวะอยู่ไปตามลําดับไปตามลําดับแล้วมันมีลักษณะที่ยากยังอัตมาเคยชี้ฟังว่าความเป็นแม่เป็นพ่อตามสมาธิิหรือมิจฉาทิฏฐิสิกเนี่ยในข้อเจ็ดข้อแปดข้อเจ็ดแม่ข้อเจ็ดข้อแปดพ่อต้องเข้าใจว่าแม่นี่นะมีส่วนมีผลทําให้เกิดพาบรรลุมีผลนี่อัตทินี่หมายคำว่ามีผลที่จะพาให้บรรลุทำทานที่นั่งให้มีผลบรรลุรำ วิธีปฏิบัติยึดถังพาบรรลุธรรมหูตั้งจิตวิญญาในเสวยผลที่บรรลุธรรมกรรมมานังเกิดจากกรรมนี่แหละพาให้เกิดบรรลุธรรมมีผลบรรลุธรรมมันกรรมต่างๆกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือแม้แต่อาชีพที่คุณทําอย่างนียพาคุณให้คุณได้ปฏิบัติธรรมและทําให้เกิดบรรลุธรรมไปตลอดมาจากกรรมทั้งหลายแดงนี้อสี่ของสมาธิิหรือวิจฉาทิฐิข้อสี่ข้อห้าอยังโลโกข้อหกปโรโลโก ข้อห้าปัญโลโกก็คือความวนความเป็นโลกโลกนี้โลกอย่างโลกีโลกอย่างโลกโลกธรรมดาสามันเป็นอย่างไรปรโลโกอีกโลกหนึ่งปะโลกโลกใหม่โลกอีกโลกหนึ่งโลกอื่นจากโลกโลกีมันต่างกันอย่างไรความวนและวนอยู่อย่างไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมวนแล้วโลกคือวนโลกุตระคือวนแต่อยู่เหนือโลกโลกีแล้วไม่ได้เป็นอย่างโลกีเขาแล้วโลกุตระ มันเป็นลักษณะอย่างไรคุณต้องเข้าใจให้ชัดเจนรู้โลกนี้รู้โลกหน้ารู้ยังโลกโกรู้ฟโรโลกโกเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตา์ถ้าคุณเข้าใจไม่ได้คุณปฏิบัติทําไปอาหารหันไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่รู้โลกนี้โลกหน้าที่ถูกต้องโลกหน้าคือตายจากร่างกายแล้วออกจากร่างไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณปฏิบัติทําไม่ได้หรอกอย่างงั้นคุณไม่รู้เรื่องไอ้โลกหน้าแบบนั้นน่ะอะโลกมันเป็นความวนหรือไม่วนอย่างไร มันเกิดอาการเป็นอย่างไรโลกที่มันเป็นปรโลกที่เข้าไปสู่โล ก, กุตระแล้วตั้งแต่โซดาโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลสกิทาคามิมักโลกุตระภูมิมีเก้าโสดาปฏิมกฏักสกิทาคามิ ม, กกกมั ก, ม ก, ก, าามมกอนาคามิมักอรหัตตมักมีสี่หรือโสดาปฏิมักโซดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิคนอนาคามิคนอนาคามิคนอรหัตตมักอรหัตตผลโล ก, กุตระ เพราะฉะนั้นก็ะเป็นโลกุตระไปตามตลอดโลกุตระก้าตามขั้นตอนสุดท้ายโลกุตราศุดท้ายก็จบไม่ต้องมีโซดังเอกท่านาคาอรหันกันเป็นโลกุตราสมบูรณ์ก็เหนือโลกทุกโลกเหนือภูมิทุกภูมิอะไรที่เป็นต้นก็ต้องเข้าใจภูมิภพที่เราวนอยู่ในโลกนั้นโลกภพคือโลกคือบนเนี่ยต้องเข้าใจโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้แม่พาให้เกิด เกิดได้เกิดสัตว์โอปปาติกะขอเก้าจิตปิญญาณนั่นเองโอ ป, ปาติกะเพราะจิตวิญญาณเป็นสัตว์นโลกเป็นสัตว์เทวดาเทวดาโลกีเทวดาเทศเทวดาสุขลิกะกามาสุขลิกะเป็นต้นคุณไม่รู้คุณก็เละเทศอยู่ในเป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นคุณไม่รู้เลยว่าคุณเป็นสัตว์จนกว่าจะพ้นความเป็นสัตว์ทั้งหมดต้องก็ต้องรู้ความเป็นสัตว์ มันองค์ประชุมอย่างไรมีกายอย่างไรมีสัญญาอย่างไรกําหนดรู้ชัดเจนว่าอ๋อองประชุมอย่างนี้เป็นรูปประกายนามกายกําหนดรู้องค์ประชุมหมดเลยว่าเป็นกายหรือนามกายโดยเฉพาะนามกายเลยเป็นทัดเพราะฉะนั้นถ้าสามารถศึกษาธรรมอย่างนี้ก็แม่ในในริงเพชรปลอสี่ธรรมมาอธิบายสรึกสรุปนะเพชรปฏิบัติธรรมนะพ่อเขาก็พาปฏิบัติธรรมอยู่ ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้คุณธรรมที่จริงเนี่ยไม่ต้องไปอยากเป็นผู้ชายประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระเทยไม่ต้องอยากเป็นผู้ชายปฏิบัติธรรมให้ได้ลดกิเลสได้ลดกิเลสได้ไม่ดื้อเป็นต้นลดความดื้อลงไปไอ้ดื้อนี่เป็นผู้หญิงนะขายดื้อนี่เป็นผู้ชายจำไว้ง่ายา ย, ย่างนี่ก่อนกินจุบจิบจุบจิ บ, จบเป็นผู้หญิง กินเป็นมือเป็นคราวเป็นผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนี่อธิบายง่ายๆและชัดเจนเข้าใจไหมไอ้ไม่รู้จักลุกกระดิกยุ่งยยิงยิ่งอะไรอยู่ไม่รู้แล้วอย่างนี้ผู้หญิงทั้งนั้นเน่ยรู้จักจบรู้จักรอบรี้จักเสร็จรู้จักอะไรอะไรเป็นสภาพที่มันสําเร็จสําเร็จในตัวสําเร็จในตัวนั่นคือผู้ชายนะปฏิบัติไปนะอย่างนอนหนึ่งอย่าดื่อสองย่ากินขนมเก่งนี่จะเป็นผู้ชายนะเอาอย่างนี้ไปก่อนนะ จากพลตรีมินประชาธิปไตยเพื่อทำความหนึ่งประชาธิปไตยเพื่อทําความชั่วคือประชาชนตายชัว um อประชาธิปไตยนี่เล่นคําเลยนะประชาธิปไตยที่เพื่อเพื่อทำความชั่วคือประชาชนตายชัวสองคนให้ชาวขอให้สองขอให้ชาวกองทัพทำร่วมกายใจอย่างแน่นแฟนกับชาวกองทัพประชาชนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปอ้าวเราก็ไปทําอยู่สาพ่อครูครับ จะทำอย่างไรใช้บทมนใดเพื่อให้การแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ยุติลงโดยเร็ว <c oughs> อัตมาว่ามันมีกรรมวิบากกรรมวิบากบบาผู้ใดไปทำย่ำหยีน้าใจเขาไว้มันก็เลยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่จัดการเรื่องนี้ไปได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าแก้ไม่ยากมันแก้ยากเพราะตอนนี้มันมันมีการไปถูย่ำหยีน้าใจกันมาก และมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยตะปูเขาเรียกตะปูตรึงใจนะทำอย่างไรก็คงจะต้องแก้ไขนี่แหละการเมืองขนาดนี้ให้จัดการลงไปได้ก่อนถ้าการเมืองตอนนี้จัดการแล้วจบลงไปนะอัตมาว่าแก้ไม่ยากนะนี่อัตมาความเห็นของอัตมานะจากข้อนแก่นคำว่าวาจีสังขารกับจิตสังขารต่างกันอย่างไรช่วยยกตัวอย่างให้ชัดเจนด้วยค่ะ คำว่าวจีสังขารนี่รู้ยากอัตมากําลังเขียนหนังสือนี่กำลังอธิบายอยู่วัจีสังขารเนี่ยถ้าใครเรียนไม่รู้จักปรมาในองค์เจตของสังกัปปะตักะวิตักะสังกัปปะอัปนาปยปนาเจตโฉปนิโรปนาวัจีสังขารวจีสังขารเราวัจีสังขารตัวนี้เป็นจิตเป็นจิตสังขารยังไม่ใช่กาย ยัไม่กายยสังขาร น, น่าเป็นจิตสังขารหรือเป็นนามกกายข้างในนะ่ะเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจอันนี้แล้วนั้นปรุงโดยไม่ต้องออกข้างนอกเลยก็ได้นะ่ะมันเกิดสังขารโดยการผ่านผ่านกระบวนการน่ะผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการทั้งหมดนี่คือทั้งหมดเนี่ยนะ่ะตั ก, กะวิตกกะสังกปะอ ป, ปนาพยาปนาเจตโสพิโนปนาเนี่ยภาคปัญญา หรือไดนามิกคือตักกะวิตกกะสังคปะภาคเจโตคืออัปปนาพย ป, ปนาเจโตโสพิโน ป, ป น, า, นาสองภาคเนี่ยจะสามารถปฏิบัติอย่างรู้เลยว่าลักษณะคุณสมบัติสองอย่างในเจโตกับปัญญานี้ร่วมกันทํางานอยู่เหมือนโับวกโคบลบของพลังงานทั้งหลายแหล่มันเป็นพลังงานของทางจิตเป็นพ ล, พลังงานสองอย่างมันมีอยู่พลังงานศักด์พลังงานเจรณะหรือพลังงานจ น, นยอยู่อย่างเงี้ยใครอ่านสภาวะพวกนี้ออก อ่าตักกะคือความตรีความตำริเริ่มแรกวิตักกะนี่คือความตรองความใคร้ครวนไตรตรองเลือกเฟ้นเอากิเลสมาจัดการถ้าจัดการกิเลสได้มันก็จะออกมาเป็นสังกปะที่เป็นสมมาสังกปะถ้าเอากิเลสออกไม่ได้มันก็เป็นมิจฉาสังกปะผานวิตักกานี่แหละเพราะงั้นเมื่อเอากิเลสออกได้มันก็เป็นวิสังขาร มันไม่ใช่แค่ความคิดมันไม่ใช่แค่ความรำมิตกะมันก็เป็นวิสังขารมันก็สังขารปรุงแต่งได้อ่าเป็นสังกปะมันเป็นความนึกคิดที่พร้อมที่จะทํางานสังขารขึ้นไปเป็นวจีสังขารเป็นสังขารที่ออกมาเป็นอยู่ในจิตใจในจิตใจยังไม่ออกมาเป็นวจีกรรมวจีสังขารเนี่ยไม่ใช่วจีกรรมเป็นจิตสังขารอยู่ข้างใน คำจิตสังขารวางแตกต่างกันอย่างไรจิตสังขารก็คือองค์รวมทั้งหมดเลยมันสังขารในเรื่องต่างๆนานาก็รวมหมดเลยเป็นคำกลางกลางเป็นคำกลางกลางส่วนวจีสังขานั้นเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มันเกิดเมื่อม่ใช่วิธีกรรมนะเมื่อมันเตรียมตัวที่จะออกมาเป็นอํานาจสู่ข้างนอกจะพูดหรือจะเป็นกายกรรมก็ตามวาจีสังขานี่ออกมาเป็น วัจีก็เป็นวาจาสัมมาออกไปเป็นกรรมมันตะเป็นกายกรรมเป็นพฤติกรรมทั้งหลายก็เป็นสัมมาจากสังกปะมโนปุพังเป็นตัวประธานมันจะออกมาเป็นอาชีพก็เป็นสัมมาเมื่อเอาตัวเหตุดับกิเลสอยู่ข้างในจิตออกแล้วเพราะฉะนั้นมาเป็นวัจีมาเป็นกรรมกรรมมันตะมาเป็นอาชีวะเป็นสัมมาหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมรู้จักต้นต่อพวกนี้นี่แหละคือรู้จักสมุทัยคือรู้จักเหตุ แล้วดับอิเหตุตรงนี้ทุกอย่างดีไปหมดนี่คือภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี่คือการปฏิบัติมรรคองแปดอันนี้อยู่ในมรรคองแปดสังกปะเจตเนี่ยวจีสังขารนี่ยสรุปจิตสังขารนั้นรวมกว้างวจีสังขารคือเป็นภาคการประพฤติอยู่ข้างในองค์ธรรมอยู่ในอันเนี้เรียกว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็น ตัวเล่นมันมีตัวอะไรบ้างมีตัวตกะมีตัวตกะสังกปะอัปนาภประนา7ตัวนี่ตัวมีตัวเล่นนี่เรียกว่ามีหรือเรียกว่าสารบัญหรือคอนเทนต์แล้วในรายละเอียดของคอนเทนต์มีคอนเท็กซ์ของมันอีกมีปริเฉทรูปมีบริบทต่างๆตักะมีอะไรบ้างมิตตกะมีอะไรบ้างทําอย่างไรบ้างมีรายละเอียดที่อยู่ในตัวตัวแต่ละข้อแต่ละข้อพรงนี้แต่ละ แต่แว่าเรื่องตัวเล่นพวกนี้ทั้งทุกตัวลักษณะต่างๆละเอียดเข้าไปอีกนะแล้วก็ทำอยู่ในกรอบพวกนี้ให้เป็นปฏิภาคสัมผัสเป็นโปร s ซช n นเป็นปฏิภาคสัมผัสนะเป็นโปร s ซชันซึ่งมันเป็นองค์รวมนี่ทั้งหมดอยู่เนี่ยนะที่เป็นคอนเทนต์อยู่ในใ น, นี้เลยต้องเข้าใจนี้จึงจะทำวิกสซังคารเป็น วจีสังขารมันจะปรากฏอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่วัจจิกำรรนะเพราะงั้นคนที่มีวิปัตนานยานเข้าใจเห็นวัจจีสังขารคือคนมียานอ่านรู้วัจจีสังขารไปรู้จักสังขารที่เป็นวัจียังไม่ออกมาเป็นวจีกรรมหรือเป็นวาจาไม่ออกมาเป็นกายไม่ออกมาเป็นข้างนอกมันอยู่ในจิตยึงเรื่องมันจิตสังขารทาให้เป็นตัวย่อยที่ได้เกิดผ่านกระ บ, บวนการผ่านโปรเซสนี้ แล้วก็เกิดบทบาทขึ้นมาทําผลสําเร็จเป็นโปรเซชันเป็นปฏิภาคสัมผัสขึ้นมามีผลสําเร็จได้เป็นปฏิภาคสัมผัสทวีคือทําให้กิเลสมันลดลงไ ด, ด้ความเจริญในทางปฏิบัตนินี้มันก็เกิดปฏิภาคสัมผัสขึ้นมานะเป็นปฏิภาคทวีเป็นความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอัตราการก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรม อยากคำว่าอัตตาแปลว่าอะไรคะ อ, อัตตานี่ถ้าถามอัตตาและอัตมาขอผัดเอาไปไว้วันต่ อ, ต, อต่อไปค่อยๆ อ, อธิบายนะอัตตาเนี่ยเรื่องใหญ่เต็มไปหมดแหละนะถ้าไม่มีเรื่องอัตตานี่คุณปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกนะต้องรู้อัตตานะเอาเขา้อผามไปก่อนเหลืออีกสองแผ่นนี่อ่านเร็วๆมันเลยเวลาก็ไปหลายนาทีแล้ว ข้าราชการบำนาญผมไปร่วมชุมนุมที่สวนลุมมาผมเห็นว่าการที่เราไปเรียกร้องให้ประชาชนเข้ามาร่วมที่เขาไม่มาเพราะเขาเบื่อออกมาแล้วก็ทําอะไรได้ไม่มากสู้แบบอ้หิงสาสู้เขาไม่ได้หรอกต้องเอ า, เ อ, าเอาวุธไปสู้กันเลยผมคนหนึ่งที่จะเอาด้วยหลายคนก็เห็นด้วยกับผมถ้าแบบนี้วันเดียวจบถ้าเราไปมือเปล่าอ่าเขาก็ยิงเราตายงานนี้ต้องสู้แบบแบบกองโจรจึงจะชนะอ่าก็ขอปฏิเสธความคิดของคุณ ถ้าคุณจะทำที่ไหนบอกด้วยจะได้ไม่ไปร่วมเขายืนยันเลยนะยืนยันจริงๆเลยเราจะแพ้ก็แพ้ไปแต่เราจะไม่เอาแล้วเรื่องความรุนแรงความฆ่าแกงความทำร้ายไม่เอาไม่ชนะก็ไม่ชนะนไม่เอาแต่ชนะฆค า, ากันโดยที่่าให้เกิดความรุนแรงให้เกิดความเลวร้ายให้เกิดการตายการเป็น ให้เกิดการบาดเจ็บเกินไม่เอาไม่เอานะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดที่ต่างกันตอนถ้าคุณจะเอาขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าใครจะไปกรุณาอย่าเอาอาวุธไปเป็นอันขาดถ้าจะเอาอาวุธไปถ้าคุณมีแนวคิดอย่างนี้อยู่บ้านเถอะหรือไปหากลุ่มที่เขาคิดอ่านอัตมาก็ไม่อยากให้ทํานะอย่าไปคิดอ่านด้วยไม่อยากให้ทําเพราะว่าไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมเลย มันเลวร้ายมากมายแล้วเรื่องนี้ไม่เข็ดลาาแล้วผ่านมาเมษายน53เลือดน้องแผ่นดินจนทุกวันนี้กลยยังตูกันไม่รอดอยู่แล้วว่าใครเป็นใครเป็นคนฆ่าคนแกงกันแน่มันเลวร้ายไม่ได้เรื่องอย่าเลยหนะ้าบ้านเมืองเราถึงแม้แม่จะเป็นจะตายอย่างไรก็เอาอยางสงบอาตมา ย, ยังมั่นใจว่าเมืองไทยยังเป็นเมืองที่มีคุณธรรมนะอาตมา ย, ยังหวังอยู่แม้จะ ยังไงยังไงก็เถอะยังหวางยุมบ้านเมืองไทยนี่จะมีสิ่งที่ดีงามนะเอาไสุดท้ายถ้ารัฐบาลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมมีการอภัยโทษให้กับผู้กระทผิดหาเสนอกฎหมายคู่กันไปเลยว่าต่อไปภยายภาคหน้าหาการรัยการนักการเมืองกงให้ประหารชีวิตและยึดทรัพย์เจตนานี้มันจะเป็นกุศลคู่กันไหมได้ถ้าออกอย่างนี้เอาเลยอัตมาสนับสนุนส่งเสริมนะ กฎหมายของเราไม่เด็ดขาดพอเพราะคนออกกฎหมายเนี่ยเขาทําผิดเสเองเขาไม่กล้าออกเขาแฝงฝังอยู่ถ้าคนบริสุทธิ์จะออกกฎหมายเด็ดขาดพวกนี้ได้เมื่อออกกฎหมายเด็ดขาดแล้วลงโทษไว้หลายอย่างที่จะต้องลงโทษให้แรงพอที่จะคนไม่กล้าทําแต่คนที่มันยังแฝงทําอยู่เนี่ยมันไม่กล้าออกกฎหมายแรงรู้ไหมมันกลัวเข้าตัวตัวเอ็งเผลอเข้าไปเจอกูกูก็กตายสิว่า เมื่อก็คนออกกฎหมายมรดกนี่เป็นต้นแล้วคนมีตังทั้งนั้นออกมอรดกมันก็ไม่ออกกฎหมายมรดกบทหมายภาษีกับมรดกหรืออะไรใจพวกนี้มันก็เลยตายเป็นคนดังล่างะที่ไม่ค่อยมีเงินนะถูกรีดอยู่เนี่ยถูกไม่ค่อยซื่อสัตย์ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อยู่เนี่ยไอ้ที่มันจะไปช่วยคนจนจริงมันกลับไม่ได้เพราะคนออกกฎหมายเองเป็นคนมีฐานะ คนยังไม่มีใจบริสุทธิ์ที่จะไม่มากมากไม่ไม่สะสมไม่กออโกย น, นี่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ใจซื่อสัตย์ไม่มากมากไม่เห็นแก่ตัวไม่ อ, อะไรอะไรเนี่ยกฎหมายออกมาก็ดีเหมือนอย่างอินเดียเ้านี่นนอินเดียเขาเนี่ยผู้ออกกฎหมายเนี่ยเป็นจันทาม ผู้ออกกฎหมายและเป็นกฎหมายฉบับแรกฉบับเดียวรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับเดียวเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ใช้ฉบับนั้นไม่เข้าแกล้ไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าแกมีใจสะอาดแกมีใจเป็นจันทานเป็นคนที่ถูกเข้ากดขี่ขมเพงหมดทุกอย่างไมไ่มีอะไรเลยมันเป็นคุณธรรมในตัวเองก็ลเลยออกกฎหมายเห็นใจคนจนเห็นใจคนอะไรต่างๆหมดเลยคนที่รัฐคลามกดขีดมันเลยเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ ทุกวันนี้ไม่มีใครไปกล้าแก่เมืองไทยนี่มั น, นยังยากอ ย, อยู่เอาละอาตมาเลยเวลาเป็นหลายนาทีแล้วก็ขอจบรายการในเพลงทัวนี้จเจริญตามทุกคน